อ้ายังมไหพี่นกพี่นกมาอยู่ใกล้ใกล้มิงไหมเดี๋ยวพี่ที่ต้องอ๋อทำพอดีค่ะต้องอะไรอ๋อได้จะต้องบอกอ๋อค่ะคุณแม่เขมาใกล้นี้เดีค่ะเช็คเสียงแม่ต่นเต้นไม่ชุมพูดฟังไปเร่ยพระอาจารย์เทสเสียงนิดนึงค่ะอาได้ยินม้ยินดีไเสียงพระอาจารย์เบาเบาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ จะมาภาษานังกโลค่ะค่ะได้ยินไหมคะเทสพี่นกไกลได้ยินไหมคะเทสดังนิดนึงแล้วอ่าแปะแปะเอ๋อเสียงเทสต่อสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะว่างทดสอบหนึ่งสอสมไกลนะ ไปเลข่ะสองสามส่เก้าล้านค่ะไไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องดันะเสียงไปเลขไดเนี่ยคุณอ้วนน่ะอ้วนกับออนาหนาอน่ะหนวดก็สอบค่ะหนึ่งสองสาก็เหลือเนี่ยเรามีกสองคนนะครับเรื่องนะาะแล้วค้ว่าล้วมีคุณพูดกัน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 ร่วมกันเยอะเลยค่ะอบอุ่นมากนะ <c oughs> ที่สถานีตอนนี้พระอาจารย์กฤินะคะท่านติดกฤินะคะก็เลยให้พวกเราเนี่ยมาร่วมกันก็ขอแนะนําตัวสักนิดหนึ่งที่ใกล้ดิฉันค่ะสวัสดีค่ะชนะตาผู้ทักทิมค่ะมนมัสการพระอาจารย์ไพศารค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะดิฉันปันเล็กค่ะพัทลลาดีประวัติค่ะค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ วร์นาโรจน่านาค่ะอ้วนค่ ะ, คะกรับมัสักการค่ะแม่ชีกหนกณจรุนพันธุ์ค่ะกลับมาสักการค่ะโยชพรจะกราภาพค่ะคือที่ทีมงานเสียงอย่างนี้ทั้งหลายจริงๆแล้วเป็นเบื้องหลังกันทั้งนั้นวันนี้ได้มาเป็นเบื้องหน้ากันนะคะก็ก่อนที่จะไปเรื่องคงการต่างๆก็ อ, อ๋อตัวค่ะค่ะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวพูดจะตัดเองนะคะ ก็นอกจากดิฉันนวพรสุ ป, ปิงครัดแล้วก็ยังมีทีมงานที่มาร่วมสัมภาษณ์หลายท่านนะคะก็ขอเชิญแนะนำตัวเลยนะคะโอเคค่ะก่อนจะไป เ, เรื่องโครงการก็อยากกราบเรียนถามเรื่องประวัติอย่างคร่คราวๆของพระอาจารย์นะค ะ, ป, ะปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่วัดไหนเจ้าค ะ, ะตมาตอนนี้ก็ อ, อยู่วัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชยภูมิ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 ที่นั่นมีวัดมีป่าอยู่ประมาณ 3,000 ไร่สามพันไร่เป็นป่าต้นน้ําชั้น 1A ซึ่งถ้ามีพระอยู่เนี่ยก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆเาตมาก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระสักสองสรูปนี่ไปช่วยเป็นหลัก2อสรูปเองละคารวะละคารวะนี่ก็ก็คือชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสัก 2-3 กิโลอ่าก็จะช่วยโดยเฉพาะช่วงหน้านี้นี่เป็นหน้าที่หน้าแรง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 ก็มีพระแค่รูปสองรูปนะเี น, นี้จะเป็นอย่างนั้นใ น, ในชนบทที่วัดป่าสุกโตก็มีพระอยู่มาน1 0บถึงรูปแล้วก็มีคารวะอีกมาปฏิบัติธรรมอีก 20-30 แล้วที่จอนเข้ามาอีกอาทิตย์ละ 40-50 อะไราย่างหเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนดู แ, แลอยู่เยอะ วัดป่าสุกโตก็มีป่าเหมือนกันนะประมาณห0าร้อยไรก็เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกวางใจได้แล้วเพราะว่าทางหลวงพ่อคําเขียนซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตม า, ท, าท่านเป็นประธานที่นั่นท่านก็จะช่วยดูแลเรื่องการรักษาป่าอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คิดว่า oh. คงจะไม่มีปัญหาที่วัดป่าสุกโตมากแต่ว่าที่วัดป่ามหาวันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นอาตมา ก, ก็เลยะจะอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นประจํา แต่ว่า<ม>พอช่วงเข้าวรรษาเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่วัดป่าสุกโตปีเป็นปี่ะแ ล, แล้วจริงจริงนี่พระอาจารย์นี่<ม>บวชบวชมานานหรือยังเจ้าคะบวชตั้งแต่ปี2526 24่ี่ปี<ม>แล้วแล้วยังไงคะท่านถึงตัดสินใจที่จะเข้าเพศเนี้ยเจ้าคะอ๋อคือก่อนบวชเนี่ยอาตมาเรียกว่าเหนื่อยกับการทำงานคืออาตมาเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องสังคม ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนก่อน14ตุลาใช่นึ่งหกแล้วก็<ๆ>ก็ไปมีทำกิจกรรมทางสังคมตั้งแต่เป็นนักเรียนไปออกค่ายที่ชนบทมีไปร่วมในช่วงชมรมตุลาคมอย่างนั้นด้วย ช, ช่วงช่วงประท้วง14ตุลาก่อนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็ไปร่วมประท้วงที่ธรรมศาสตร์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 มีมีกลุ่มเดียวกับพระอาจารย์ไหมเจ้าคะก็มีอย่างเช่นเอ่อตอนนั้นก็มีเช่นตอนนี้เป็นคาราวานันคือพระประชามประสานธรรมโมใช่คุณรสสนาตัวสิตโกลซึ่งพวกเราจนจักดีตอนนั้นพวกพวกเรา่พระปันเน็กะแอลยังยังยายมากเพราะเพรานดยังยังเอ๋ออยู่นิดนแล้วก็ คุณพจนาจันทรสันติซึ่งเป็นนักเขียน <c oughs> เพิ่นจะอยู่ไปอยู่เป็นกลุ่ม <c oughs> เป็นกลุ่มเอ่อกลุ่มนักศึกษา <c oughs> ชุมนุมพุทธนะ <c oughs> ซึ่งเราเห็นเราเห็นครอเห็นเห็นด้วยกับนักศึกษาในเรื่องของกา ร, <c oughs> ก, ารการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดเป็นประชาธิปไตยหรือว่ามีความเป็นธรรมในสังคมแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่อีกอยู่ชุมนุมพุทธแล้วก็มา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 แต่ว่าอยู่ที่ชุมนุมพุทธนะแล้วก็ตอนนั้นก็ทำการอดอาหารประท้วงนะประท้วงประท้วงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีมีการามีการคือจอมพลถนอมเนี่ยซึ่งเป็นคือเป็นซึ่งาซึ่งทางนักศึกษาทำไมนะทัวรเป็นทรรลาด14ตุลาเนี่ยนะ <'kay. S 1> กลับมากลับมาที่เมืองไทยในรูป สา ม, มนเณรแล้วมาบวชที่วัดบรวรนักศึกษาก็ประท้วงเงนใหญ่เพื่อที่จะให้ขับไล่สา ม, มนเณรหรือพิสุทธนอมเนี่ยออกจากประเทศหรือแม้ก็ดําเนินคดีเพราะว่าอาญกรรมเขาถือเป็นอาญกรรมตอนสิบสตุลาเนี่ยมันผีดกฎหมายเนี่ยสังหารประชาชนใช่ไหมมันพิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายหรือแม้ก็ต้องออกจากประเทศนักศึกษากเลยประท้วง อันนี้คือคือที่มาของเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะลืมกันไปแล้วค่ะคณะคณะเจ้าค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ตนนศิลปศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ความรุนแรง เ, เลยเจ<ม>้าค่ะแต่ว่าตอนนั้นพวกเราที่ชุมนมพูดเนี่ยเราเห็นว่า เ, เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกัคณะสงฆ์พอคณะสงฆ์เนี่ยไปไปไปไปสับสุนให้ ให้จอมพลถนอมเนี่ยกลับประเทศแล้วก็บวชให้ด้วยใช่ไหมก็เหมือนกว่าเป็นการไปรับรองความชอบธรรมความถูกต้องของจอมพลธนอมพวกเราที่จำนวนพลกระเลบอุทธรประท้วงเพื่อขอให้คณะสงฆ์เนี่ยได้แก้ปัญหานี้อย่างอย่างอย่างโดยวิถีของชอวพุธนะแล้วก็ตำหนิตระหนักถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้าเอาจอมพลถนอมเข้ามาประเทศในภาพ ในครบในในสถานภาพของพิสษจเนี่ยก็ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดความรู้สึกตั้งคำถามกับสถาบันสงฆ์ว่าทำไมไปไปให้ความร่วมมือกับจอมพลถนอมซึ่งในทางกฎหมายถือว่ายังมีมนทินอยู่นะก็ทางตมา ก, ก็เลยไปร่วมประท้วงอดอดไปได้กี่วัน<า>จังแค่แค่สองวันเองก็เกิดใหตการ6ตุลาหตุลาหนกตุลาหนะก็ถูกจับ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 ซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เป็นนักโทรการเมืองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ราชการไม่ไม่ชอบใ จ, าจาก็จับด้วยผลส่วนตัวมีคนเป็นเป็นต้องเรียกว่าหลายพันถูกจกับอาตมาก็เลยกับเพื่อนๆก็เลยทําตั้งกลุ่มที่เรากลุ่มประสานงานาศาสนาเพื่อสังคมโโซึ่งมีอยู่าาแล้วซึ่งมีซึ่งมีอยู่แล้วน ะ, นะซึ่งเขามีอยู่แล้วก่อนสก่อน6ตุลาแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรจริงจังพวกเราก็าเลยมาลฟื้นขึ้นมาเอากลุ่มนี้ก็มีทั้งพุทธมีทั้งคริสต คาทอลิกและโปรเตสแตนต์เป็นผูน้นำนะเราก็มารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่อเรียกร้องให้สองกลุมไทยเนี่ยเกิดความสมานฉันท์มันก็ที่พูดเวลาเนี้<ช>แต่ว่าเมือ่อหตุลานี่ยมันแตกล้าวยิ่งกว่า น, นี้เราก็พยายามนําเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมประสานในการทําให้เกิดความสมานฉันท์นในสังคมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความแตกแยกระหว่างซ้ายกับขวาซ้ายก็เข้าป่าไปจับประวัติ ส่วนขวานี่ก็อาศัยกองทัพรถถังปืนใหญ่เครื่องบินไปบุกขยี้ในป่าในชนบทมันมีแนวโนมจะเกิดสงครามกลางเมืองตามมาแล้วเราก็เรียกคิดว่ า, าศาสนานต้องเข้ามาเป็นตัวผสานทำให้เกิดสมานฉันท์ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและมีการเคารพสิทธิทมนุษยชนกันแน่นต่อมาก็จะทาช่วงนี้แล้วก็คือตอนนั้นเป็นนักศึกษาปีสองธรรมศาสตร์ก็พยายาม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 ไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์นี่คือสภาพเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วใช้เวลานานไม่ค่อยจะประสบความ<ก>สำเร็จนะคะประมาณจะมาเคลื่อนมา อ, อยู่2ปีนะรัฐบาลก็ยอมนรลทศกรรมปีสี่พอดีปีอ่าใช่อ่อปีสาอ่อพระอาจารย์เริ่มตอนปีสองแล้วก็ทำมาสองปีจนปีสามอา่รัฐบาลตอนนั้นคือ มีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งโดยพลเอกเกียงศักดิ์รัฐมาที่ปฏิวัติในปี250 0ัอ้ยีเนี่ยมีนโยบายที่จะที่จะสร้างความยอมรับในหมู่ประชาคมโลกก็จะมีการเริ่มปล่อยนักโทษการเมืองเพราะถ้าเราไม่ปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติมองแล้วก็ถูกกดดันนะอันนี้ก็ก็เริ่ม รัฐบาลก็ปีสองหนึ่งก็เลยออกกฎหมายในรโทฐกรรมนักโทษการเมืองโดยเฉพาะกรณี6ตุลาเพราะฉะนั้นซึ่งมีคุณสุดธรรมแสงประทุมเป็นพูนเป็นรองเป็นอดีตเลขาูนุสิทธิ์เวลานั้นคือคนที่เป็นเป็นผู้นําในการเมืองในปัจจุบันหลายคนเนี่ยล้วนแต่มีคดีหตุลาทั้งนั้นเช่นคุณสุดธรรมแสงประทุมอาจจะรวมถึงคุณพินิจจันทรสมบัตินะทีลยุทธ์บุ๋มทีละยุทตอนนั้นตอนนั้นแกแกแกไม่มีปัญหาแล้ว แก่รุ่น6ตุลาแก่รุ่น14ตุลา <14. S 2> แต่รุ่น6ตุลาเนี่ยผู้เนี่ยจะแล้วก็ผู้นำเหล่านี้เนี่ยโดนคดี6ตุลาใช่ไหมคราวนี้รัฐบาลประกาศในรัชสกรรมคุณสุธรรมแสงวัฒนุมและคณะก็เลยพ้นผิดอัตามาก็ซึ่งถูกจับในคดี6ตุลาก็ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนั้นไปน <ำ S 1> อ, อยู่ก<น>ี่วนันเจ้าคะโด น, โดนอยู่3าวัน6ตุลาถึงเตุลาเก้า เขาเนี่ยต่อมาก็ทํากลุ่มภาษาอังกฤษสารศาสตร์ประชาคมเรื่อยมาตั้งแต่ปี19เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะไม่ใช่เฉพาะกรณีขตุลาเจ้าค่ะมีการจับจับคนในชนบทข้อหาคอมมิวนิสต์นะตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากใครที่คิดไม่เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกจับทะเลาะเบาแวงกันเรื่องส่วนตัวก็ถูกจับด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์เราก็ไปทํางานเรื่องนี้ เพื่อช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยเขามีการกลับติดเศรษฐกิเสียชนกัน mm hmm. เปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งตอนตอนหลังก็ทำให้เกิดเกิดคำสั่งหก2 5 2 3ททาสคำสั่งหกส5 2 3ทันี่เป็นคำสั่งที่เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าทำให้เปิดทางให้คนที่ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย กลับมาพัฒนาชาติไทยที่เราได้ยินคว่ า, าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยก็คืออดีตคอมมิวนิสต์น ะ, ะซึ่งก็รวมถึงคุณจตุรลนฉายแสงคุณพินิจจันทรสมบัตินะแล้วก็หมอมิงหมอมิงนี่หมอเลยนะฮะที่เป็นหมอมิงนี่ก็เป็นเลขาของคุณทักษิณอนะแล้วก็หมอเลียบหมอเลียบ ก, ก็คือเลขาธิการพรรคพลังประชาชนปัจจุบัน พวกนี้คือพวกที่ที่เรียกว่าอาจจะมีมีส่วนร่วมเข้าไปในในในในแวดวงกระบวนการแล้วก็ตอนหลังอพอมีคำสั่งของสุภารสองสซึ่งออกโดยพลเอกเปรมตินทสูรานนท์ก็ทำให้ทุกคนกลับมาสู่เมืองได้โดยปกโดยโดยสันติวิธีก็เรียกว่ากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็ยุติ อัตมาก็ทำงานเรื่องพวกนี้อ่ะหมายถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนชนเนี่ยจนทั้งถึงปี26งหกเกเ่าเป็นเวลา7ปีตั้งแต่ปี 19-26 กถึงก็เหนื่อยเดี๋ยวจบพอจบแล้วก็ยังยังไปช่วยในในกลุ่มนี้ด้วยอ่คือตอนนั้นตอนหลังเริ่มเปลี่ยนเราไปทำเรื่องตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเด็กขาดอหารคือกลุ่มภาษาศาสตร์าษาผสมคนทอร่จริง ท, ท่านเ ร, เรียนศินลปศาสตร์ แต่ไปช่วยเหมือนกับกลุ่มที่เป็นพวกของสงคมอสัมพองอะเจ้าค่ะก็คืออัตมาสนใจเสรประชาศัยคือประวัติศาสตร์เนี่ยสนใจในสาขาประวัติศาสตร์เป็นความสนใจในส่วนตัวเพราะอัตมาชอบอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเรามีสํานึกทางสังคมมีสํานึกทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยธรรมศาสตร์โดยวัฒธรรมศาสตร์นะไม่ว่าจะเรียนทางด้าน ศิลปะวรรณคดีภาษาอังกฤษการหรือว่าจะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์หรือบัญชีหลายคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองไปออกค่ายไป <Okay. S 2> ช่วยเหลือเด็กยากจนคือตอนนั้นเป็นกระแสของของของขอ ง, ของนักศึกษาโดยเฉพาะธรรมศาสตร์ mm. แล้วก็ไปที่มหิดลบ้าง <Okay. S 2> น ะ, ะแต่ว่าธรรมศาสตร์นี่จะเป็นจะเป็นจะขึ้นชื่อในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนสาขาไหนไม่ไ ม, ไ, มไม่สำคัญ <laughs> ใช่ไหม ไปออกค่าย uh huh. ไปช่วยเหลือคนลําบากเดือดร้อน uh huh. ให้ตมาก็ทำเนี่ยต้นหลังพอเรื่องสิทธฐกิจมัน่นดีขึ้นแล้วตมาก็ไปทําเรื่องเด็กขาดอาหารทําไมถึงไปสนใจเด็กขาดอาหารเจ้าคะเพราะว่า <c oughs> คือประมาณปีช่วงปี 2021-22 เนี่ยเมืองไทยมีปัญหามากคือความยากจนเด็กขาดอาหารเนี่ยประมาณเด็กเด็ก เด็ก 60% ที่อายุต่ำกว่า14ปีเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารลองนึกภาพว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองส่งออกข้าวใช่ไหม <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเราส่งออกข้าวเนี่เป็นรําเป็นสันแต่ว่ามีเด็กขาดอาหารเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านคน 60% ของเด็กอายุ14ขาดอาหารมีเด็กตายเพราะขาดอาหารระดับ3เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นพันคน แล้วเพลินปี22เนี่ยเป็นปีที่ทางสาประชาติประกดให้ประกาศให้เป็นปีเด็กสากลแห่งโลกเป็นปีเด็กสากลอเจ้าค่ะอัตมาก็ทําโครงการแด่น้องผู้หิวโหยแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ยนะชื่อนี่ชื่อเป็นชื่อโครงการของของพวกเราเจ้าค่ะไปหาเงินเนี่ยไปช่วยเด็กขาดอหารในชนบทตอนนี้ก็ยังยังมีชื่ออยู่ใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะยังทำอยู่ตอนนั้นเนี่ย ก็ไปช่วยเด็กช่วยทำศูนย์เด็กทาศูนย์เด็กหรือว่าสนับสนุนโครงการอ่านกัววนงวให้กันให้กันเด็กเงินงบประมาณนี้ได้มาจากไหนเระะาลับบริ<ะ>จากจากคนทั่วไปอันนี้คือคือคื อ, คอที่เราเรียกว่าเไงมันมพวกอัตระมาเนี่ยเริ่มทำา NGO มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วใช่ไหมก็คือว่าต้นต้นสำรวงกับมูลนสิเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นมาไล่ๆกันเป็นประมาณปี 2-1-2-2 เราก็ทำโครงการหาทุนรับบริจาครวมทั้งทำผ้าป่าข้าวผ้าป่ า, าข้าวผ้าป่าข้าวคือเอาเอาข้าวแล้วกันบริจาคเนี่ยไปช่วยไปช่วยโครงการหารกลางวันในชน บ, บทนะซึ่งทั่วทั่วประเทศเลยจ้คะคะมีประมาณสัก7จจุดที่เราที่เราทำที่เราทำอ่า ที่เราดําเนินการอย่างใกล้ชิด <C' est> คือเราไม่สามารถทําทั่วประเทศได้ <c' est> พเพราะว่ากําลังเราน้อยอ๋อมีจุดอแล้วคัดเลือกยังไงเจ้าคะ่ะก็และคือหนึ่งต้องมีผู้นำในในชุมชนเ <c' est> ช่ช น, นเป็นครูหรือเป็นพระซึ่งตรงนี้เป็นเหตุทำให้ธรรมามาม า, มาพบหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยท่านท่านเป็พระปฏิบัติก็จริงที่ที่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าท่านท่านเป็นห่วงเรื่องเด็กท่านก็ทําศูนย์เด็ก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 S <S <S คือสมัยนั้นเนี่ยศูนย์เด็กนี่เป็นของแปลกนะไม่มีไม่มีมมยิ่งยิ่งวัดเนี่ยยิ่งไม่ทําใช่เจ้าค่ะๆๆแล้วก็ท่านก็เป็นลูกแรกๆในจังหวัดเชียภูมิที่ทําเรื่องนี้<อ>ซึ่งเออซึ่งอัตมาเนี่ยก็เพิินไปไปได้ข่าว <S <S อาตอนนั้นเป็นคาราวาสอยู่ทําโครงการแต่น้องผู้ยุ่งหยก็เลยไปไ ป, ไปช่วยสนับสนุนท่านรวมทั้งคือตอนหลังท่านขยับมาทําเรื่องสากรข้าวเพราะว่าอยู่เป็นเขาข้าวเนี่ย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 ซื้อข้ามาเยอะๆแล้วมาขายในราคาถูกๆให้กับชาวบ้าน mm hmm. อัตมา ก, ก็เลยเห็นว่าโครงการดีๆก็เลยทำผ้าป่าข้าวปีสองสองสาเอาเอาหาหาทุนจากคนที่สนใจแล้วก็บริจาคข้าวด้วยแล้วก็เอาขึ้นไปคือมันมีทางรถจากเชัยภูมิขึ้นมามาที่วัดป่ า, ามาที่แก่งมาที่เรียกว่าถ้ำมอไฟหวานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําเงี้ยเราเรามีโครงการหลายแบบเพื่อที่จะสนับสนุนความเร่เรื่มในชุมชนที่<อ>ทําเรื่องเด็กขาดอหารหรือทําเรื่องแก้ปัญหาความยากจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตามารู้จักหลวงพ่อคาเขียนเจ้าค่ะแล้วปีสองสามนะปีสองหเมื่อตามาจะ บ, บวชก็เลยนึกถึงท่านทํำไมคิดจะบวชเจ้าค่ะก็ทํางานมาเจ็ปีก็เหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยแบบ เหนื่อยแบบล้าล้าจนกระทั่งว่ามันล้ากายหรือล้าใจเจ้าคะเออรู้สึกว่าทั้งสองอย่างนะะแต่ว่าใจนี่เป็นเป็นหลักเจอาการอาการหนึ่งที่ปรากฏก็คือว่าความรู้สึกว่าอันที่หนึ่งนอนไม่หลับนอนยากนอนยากมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมันคิดการทํางานมีแต่เรื่องคิดเรื่องคิดเรื่องคิดแล้วก็เครียดแล้วพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ได้ครอมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายเนี่ย นะมันทำให้เราต้องทำโน่นทานี่ไม่ได้หยุดเพราะความคิดไงความคิดมันแล่นทำให้เราเนี่ยจะพักก็พักไม่ได้จะอยู่เฉยเฉยก็อยู่ไม่เป็นเพราะความคิดนี่มันพาแล่นไป <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ต้องไปถ้าไม่ไปเดินตามห้างไปดูหนังสือตามร้านก็ต้องไปหาเพื่อนไปพูดไปคุย <c oughs> สมัยนั้นไม่มีโทรศรัพท์โทรศรัพท์มันยังเป็นของของหายากโทรศรัพท์บ้านยังหายากนะ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 คนนยคนนี้ไปทะเลาะกับเพื่อนมีความหงุดหงิดลาคาญใจสมัยนั้นอารมณ์อารมณ์อมของท่านเป็นยังไงเจ้าค่ะคือเดิมก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมพอพอจิตมันกระสับกระส่ายเนี่ยมันมีอะไรกระทบก็ก็จะหงดหงุดง่ายแล้วก็จะจะไปทะเลาะเอาคนซึ่งมางทีเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเราแต่เขาจจะพูดไม่ถูกใจเราก็โกรธพูดง่ายคือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเสียศูนย์เริ่มเสียศูนย์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 เพราะฉันเนี่ยก็ออกไปทางดูหนังะนะดูหนังเออดูล้วมันก็สบายใ จ, จแต่พอดูเสร็จอยากดูอีกนะคือมันมันเสพติดเล้วไงเจ้าค่ะอาทิตย์ละครั้งไม่ไม่พอแล้วต้องสองอาทิตย์ครั้งและพออย่างที่ตะมาว่าคือพอดูเสร็จมันก็อยากจะดูอีกแล้วนะคือมันจิตนี่มันมันจะเกิดอาการเสรจติดขึ้นมา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 ปฏิบัติมีที่ท่านบอกว่ามีนั่งสมาธิ<ก>อะไรอย่างเงี้ยเจา้าค่ะทำเองบ้านแล้วก็ไปตามสํานักเช่นไปสํานักธรรมประโพธิสัตว์ของอพระอาจารย์คาตันตอนนี้ท่านเกษียไปแล้วนะฮะเจ้าค่ะธรรมปรโพธิสัตว์ก็ไปฝึกที่นั่น<ห>แต่ ท, ท่านพิจารณายัางไงเจา้าคะก็ตามลมหายใจเจ้าค่ะแต่ทรมานมากเลยทําไมอะเจ้าค่ะเพราะว่าใจมันอยู่นิ่งไม่ได้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 ยิ่งนั่งไปแทนที่จะสงบยิ่งเป็นมากขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีวินัย น, น ะ, ะมีความเพียรมีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยอยู่กับมันนานๆเนี่ยสักสีห้าวันเนี่ยก็จะเริ่มเข้าที่แต่ตมาเนี่ยไม่มีวินัยพอเพราะเป็นคารวาสไงใช่ไม่มมันก็หาเรื่องหาเรื่องหาข้อแก้ตัวกลับบ้านก่อนเวลาบ้างทำนู่นทำนี่บ้าง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 ส่วนใหญ่ที่เห็นเ น, นะเจ้าค่ะสามเดือนแทบทุกออกทุกรูปนะเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ยา <c oughs> อคือสามเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเจ <c oughs> ้าค่ะเพราะว่านั่งสมาธิแค่สามวันยังยัง ห, หาเรื่อ ง, ย, ง<ม>ยังหาเรื่องหนีเลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วตอนนั้นรู้หรือเปล่าคะว่าแนวการสอนของพ่อคำเขียนต่างจากที่เดี๋พ่อคำตันยังไงอยากพูพ่อคาตันหนึ่งมก่อนเออก็ตอนนั้นยังยังยังไม่ชัดเจน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 ของหลวงพ่อเทียนดูหลวงพ่อเทียนนี่ลักษณะเป็นยังไงเจ้าค่ะหมายถึงบุคลิกเหรอไม่ใช่เจ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติก็ให้มีสติเคลื่อนไหวกับกายโดยใช้การการเคลื่อนมือเป็นจังหวะเรียกว่าสร้างจังหวะ B14 จังหวะแต่ว่าตัวจังหวะมันไม่ันไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะประเด็นคือว่าให้ใจเนี่ยรู้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเมื่อรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนี่ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นรู้สึกกับรู้สึกตัวนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันมันใกล้กันมาก เมื่อใดก็ตามที่เราเผลอคิดนึกเนี่ยความรู้สึกก็จะหายไป <S <S อันนั้นเป็นเครื่องหมายว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีแล้ว <S <S แต่เมื่อใดก็ตามที่จิตมันรู้จิตระลึกขึ้นมาได้ว่าเผลอคิดไปอันนั้นแหละสติก็จะทํางานดึงจิต ก, กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเช่นสร้างจังหวะและ ก, ก็การเดินจงกลมโดยไม่ได้ปิดตาอันนี้คือวิธีการ <S <S 2> <S 2> ซึ่ง อาจมากว่าจะเข้าใจวิธีนี้ก็ใช้เวลานานนะนานขนาดไหนเจ้าค่ะก็สามอาทิตย์คือทําผิดไงถามผิดทําผิดไงเพราะแรกๆนี่รู้สึกยังไงคะคือทำไมไปเพ่งไปเพ่งเวลายกมือเนี่ยก็ไปเพ่งที่มือเวลาเดินตรงก้มก็เพ่งที่เท้าเวลาคิดก็ห้ามความคิดอพอมันกําลังจะคิดออกก็แบบเบรกมาเลยเกิดเลยนะมันมันหายบุ๊ไปเลยเจ้าค่ะอล้ แล้วก็ทำายี่บ่อยทๆทั้งอยู่บ่อยซึ่งความคิดมันก็ฉลาด mm hmm. เรารู้ว่าเราเราคอยดูเรารูวาว้ว่ามันจะมาคิดเรื่องนี้ก็คอยคอยท่าเพ่งดูเข้าดูความคิดเปแล้วว่ามันจะมาไม้นี้หรือเปล่ามันก็ไปออกคิดเรื่องอื่นเช <c ười> ่นเราดูว่ามันจะชอบคิดเรื่องไปเที่ยวพอมันคิดเรื่องไปเที่ยวมาแล้วก็เบรกมานาทีมันก็เผ้อคิดเรื่องธรรมะนะ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 จะพาคนมาปฏิบัติทําได้ยังไงคิดหาโครงการพาคนมาปฏิบัติทํามเลยก็โปรเจกต์นัโปรเจกต์มันมาเงี้ยแล้วก็เพลิคิดเกินเพลิคิดมันไปพอเรารู้เราก็ไปเบรคมันแล้วก็คอยตั้งท่าดูมันใช่ไหมเนี่ยคือคือวิธีแบบนี้เนี่ยทําไปทํำมาเนี่ยมันเครียดมันเครียดจนกระทั่งว่าไอความคิดเนี่ยมันหลบในต้องมาใช้คำว่าหลบในคือมันไม่มันหายไปเลยมันหายไปเลยมันไม่ออกมา ไปตามคนมันก็ไม่ออกมาแปลกมากแต่มันหนักความคิดไม่ออกมาแต่แทนที่จะเบานะมันหนักแล้วพอพอเป็นไปได้สักวันสองวันเนี่ยคือมันออกมาเหมือนกันนะแต่มันออกมาแบบกระปิกระปลอยมากแล้วมันหนักเพอาะจิตเราเพ่งจิตมันเพ่งมันก็หลบงเยแต่ว่าพอพอนอนเนี่ยมอนออกมาพังพรูใหญ่เลยพอจะนอนนี่มันพังพรูออกมาจนกระทั่งนอนไม่หลับแล้ว นอนไม่หลแล้วปวดแขนปวดขานุ่งเกร็งใช่ปวดแขนปวดขาปวดแข น, ขแขนจนยกมือไม่ค่ยขึ้นปวดขาจนเดินตัวโกไม่ค่อยไหวอ๋อขนาดนั้นเลยอพออายุแม้กระทั่งว่าลับจิตมันเพ่งนะจนกระทั่งว่าแค่ยกมือเนี่ยครั้งสองครั้งแล้วนะมันเครียดทันทีเลยเจ็ตมันเกร็งมากมันเพ่งและซึ่งทําห้ต้องมาปฏิบัติไม่ได้เพราะมันมั น, ม, นมันทุกข์มาก แต่แล้วใครแกพร้พระรอาจารย์พระอาจารย์แก้ยังไงเจ้าคะคือก็ต้องแก้ตัวเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดเราก็ไม่เข้าใจอเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไปไปไปใช้วิธีแบบเดิมๆที่เราเคยทํามาคือทำอะไรมันต้องเพ่งทำอะไรต้องฝืนทำอะไรต้องทําต้องต้องทําด้วยความอยากนะแต่ว่าการที่เราพอเริ่มทําไม่ไหว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 ก็เทียนท่านสอนว่าถ้าเกิดไปนั่งรถเมล์ไปไหนเนี่ยอหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าเราจะยกเนี่ยมันจะเป็นผิดปกติเราก็จะคลืงนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกจากวัดเราไปไหนมาไหนถ้าสังเกตเห็นลูกศิษย์ก็จะเหมือนกับไม่อยู่นิ่งจะคลึงนิ้วมากหรือบางทีถ้าถ้าไม่คลึงนิ้วเราก็เปลี่ยนเป็นทําอย่างอื่นแต่ว่าลักษณะก็ก็คือให้มีการดู้ีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา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 ไปเกาะหรือไปไปคอยห้ามความคิดตอนนี้แหละมันมันต้องใช้วิธีการแงะจิตออกมาเพราะจิตมันเพ่งมาก mm hmm. มันมันมันมันเพ่งจนมันมันแงะไม่ง่ายเลยการที่จงแงะง่ายเราต้องเพิ่งเราต้องเอาจิตออกนอกต้องหาทางไปกาหนดจิตไปที่ข้างนอก ตอนนั้นกำหนดไปที่ไหนเจ้าคะไปที่ประตูเวลาเดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมแล้วก็ไปกําหนดจิตที่ป้ายป้ายที่ประตูห้องน้ําซึ่งอยู่สุดทางจงกรมเพื่อดึงจิตออกออืจากการเพ่งเข้าไหนคให้มันสมดุลกันอก็ทําไปมันค่อยๆคลายคลายคลายจิตที่มันเคยประกบแน่นเนี่ยเพื่อค่อยๆแงออกมาค่อยๆแงออกมามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ พอทำไม่ถึงสี่ห้าวันเรู้สึกว่ามันก็แปลกคือเราไ ด, ได้รู้ทันความคิดมากขึ้นเห็นความคิดแล้วเรารู้ซึ่งก็แปลกใจว่ามันรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะให้มันรู้ mm. มันก็รู้ขึ้นมาเองความคิดที่มันเคยยาวมันก็สั้นลงสั้นลงก็กลายเป็นเพลินกลายเป็นสนุก mm. ใช่ก็แปลว่าทาไมเราเดินไปเดินเ ร, เราไม่ได้ตั้งใจ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 ประสบการ์ประจําวันที่เราเคยพบก็เลยก็เลยปฏิบัติแบบนี้จนครบสามเดือนค่ะพอหลังจากนั้นก็ได้เวลาศึกเตรียมจะศึกแล้วใช่ค่ะสองสองวันมันเดือเป็นเดือนพฤษภาพอคิดถึงวันที่จะศึกมันอะไรอะไรรู้สึกว่าว่าต้องทิ้งชีวิตพระไป ก็รู้สึกว่ายังอย่างย่งทำใจไม่ได้อก็เลยคิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนคือที่ศึกไปจะศึกไปเพื่อว่าเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ทํางานหนักต้องรับภาระแทนเราก็เกรงใจเขาอ๋อคืองานงานก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ฮะใช่ก็เลยแต่เพื่อนเขาบอกว่าก็ถ้าอยากบทต่อก็ไม่เป็นไรค่ะคงคงกลัวว่าถ้า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 ที่จริงจะไปอยู่กับหลวงพอ่อขีนตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วหลวงพอ่อเขีนท้องบอกว่าสุกโตมันลําบากกันดานให้มาอยู่กับหลวงพอ่อเทียนที่วัสนามในดีกว่ามีครูบาอาจารย์<ไ>การเป็นอยู่การควบฉันก็สะดวกก็เลยมาอยู่ที่วัสนามในกับหลวงพอ่อเทียนหลวงพอ่อเขีนนั่นก็มามาเดลครั้งมือนละครั้งมามามาให้กํ า, <ม>าลังใจแล้วก็มาชี้แนวทางปฏิบัติ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 อยากคือพอครบพอครบพรรษาใช่ไหมฮะก็คิดว่าเอองั้นเราบวชได้ครบปีก่อนดูสิว่าจะเป็นยังไงแปแล้วนะสามแปดแล้วก็สิบสองพอครบปีแล้วเราก็บอกว่าเอ้าบวชต่อยีป응ีหนึ่งแต่ในใจตัวนั้นเนี่ยคิดไม่คิดไม่ออกนะว่าเราจะบวชได้สิบปีได้ยังไงแค่ห้าปีนี้ก็นานเกินพอแล้วไม่กล้าคิดนะว่าคือไม่กล้าคิดว่าเราจะบวชได้นานแล้วคิดว่าคงลำบาก <Okay. S 2> สภาวะสภาวะนะตอนนั้นนะคะท่านพิจารณาทางโลกกับทางธรรมแล้วเห็นคุณและโทษยังไงอ๋อเชิงหนึ่งที่ทําให้องมาบวชพระได้ก็คือการเห็นว่าชีวิตทางโลกนี้มันทุกข์มากกว่าเการที่จะมีชีวิตทางโลกเนี่ยให้สูงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ยังยังเผ็ดแสบเข็ดเหลา ก, กว่าชีวิตทางโลกอยู่ไอความ ช่วงวิกฤตชีวิตที่มันเสียศูญก่อนโบวเนี่ยก็ยังยังประทับแน่นในใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลย ว, ว่าถ้าศึกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่ว่าถ้าจักเติมเดิมหรือเปล่าคือชีวิตที่มันเครียดหาความสุขไม่ได้กระสับกระส่ายทะเลาะกับเบาแวงกับผู้คนแล้วกลัวกับชีวิตแบบนี้ก็เลยคิดว่ า, าบัวต่อ ไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าเวลาเวลาคิดจะสึกไปก็นึกถึงชีวิตคารวาดของตัวเองด้วยแล้วของคนอื่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการยากที่เราจะมีความสุขในเพศคารวาดถึงแม้เราเพราะเราพะเราเป็นครวะแล้วก็คงต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่าเห็นชีวิตครอบครัวของหลายๆคน แม้กรังของโยมพ่อโยมแม่ของเพื่อนก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ความคิดช่นนี้ก็เลยทำให้ลังเลใจเวลานึกจะสึกขึ้นมาเนี่ยพอนึกถึงชีวิตคระว่ า, บาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยยากนะการที่แล้วคิดว่าการที่เป็นเป็นพระนี่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 ก็ไม่กล้าแล้วไม่เชื่อมันใช่ไหมแล้วเรายมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์เจ้าคะท่านสนับสนุนให้บวชหรือว่าให้ออกมาทํางานเถอะที่ทแรกทีแรกๆท่านก็สนับสนุนให้บวชนะเพราะท่าน<ม>กลัวว่าศึกมาแล้วเนี่ยจะไปทํากิจกรรมทางสังคมซึ่งมันเสียงคุกเสิงตารางค่ะทำไมไปเสียงยังไงเจ้าก็สมัยทุกสมัยที่จะมาทำทำทำเป็นทำกุปปะสาย ง, ง า, ศ า, ศาสนสาธารณะสังคมเนี่ยเราทําสิ่งที่รัฐบาลไม่ชอบ เราพยายามไปพูดว่ารัฐบาลเนี่ยละเมิดสิทธิมนชนจับคนเข้าคุกโดยไม่เป็นธรรมยังไงบ้างเราเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมือง6ตุลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยปี200คุณสมัครเป็นคุณสมัครสนทรเวชเป็นรัฐมนตรีมาดไทยก็ยังพูดถึงกลุ่มของอาตมาว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มซึ่งไม่หวังดีต่อประเทศชาติโอ้หมายหัวไปแล้วคือเพราะในสิ่งที่เราทำานเป็นปฏิปักษ์กับ กับรัฐบาลโดยที่เขาไม่ไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เราทํานี่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาวคือเราต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่บนฐานของหลักนิติธรรมพอถ้าบ้านเมืองเนี่ยมีการเคารพสิทธิมนุชนมีการเคารพหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้ยาวใช่ไหมบ้านเมืองเราก็จะหลีกเลี่ยงจากความรุนแรงจากสงครามกลางเมืองได้คือจะมาชื่อเรื่องสันติวิธี เราชื่อว่าสันติวิธีเกิดขึ้นได้ต้องต้องเกิดจากการที่เราสร้างพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษชนประชาธิปไตยและความเป็นธรรมเอาไว้ก็เลยให้บวชดีกว่าบวชเออบวชแล้วเดี๋ยจะได้จะได้ไกลคุกไกลตารางใช่ไหมใช่ค่ะยังไงแต่มาเคยติดคุกมาทีแล้วสวันนะช่วงสิงค์กราค่ะก็เพรบวชเป็นนานๆท่านก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดถึงแล้วว่าแล้วเราจะอยู่ยังไง มีพ<ท>ี่น้องพี่น้องมีพี่อยู่สามมีน้องอยู่หนึ่งแต่เสียไปอนที่ธรรมะจะบวชธรตมาก็เป็นคนสุดท้องตอนนั้นออคือทางที่บ้านก็ห่วงว่าคือท่านคงมองว่าธรรมาเนี่ยคงจะบวชได้ไม่นานอาจจะบวชสิปีส5บปีถึงตอนนันเสือออกมาก็จะตามเขาไม่ทันใช่ออไหมนี่คือความห่วงของพ่อแม่ ค, <ะ>คือกลัากวาลูกจะตามไม่ทัน มาศึกมาแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นจากศ <Okay. S 1> ูนย์ใหม่ <Okay. S 1> ใช่ไก็เลยคิดว่าไม่อยายใหวดนานที่จริงแม้กระทั่งอุปชาติของอาตมานเนี่ยซึ่ออยู่วัดอยูเเอ่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดทองรัคุณพระเทพสุทธีเนี่ยอาตมาไปหาท่านไปกราบท่านอยู่ บ, บ่อยๆเวลาเข้ามากรุงเทพท่านก็จะถามเมื่อไหร่จะศึก <laughs> ใช่ไ คือท่านก็เป็นห่วงแบบแบบผู้ใหญ่ไงคือท่านก็รู้ว่าคนหนุ่มอย่างเราเนี่ยคงบวชคงบวชไม่ได้นานแล้วถ้าบวชไม่ได้นานแล้วสึกออกมาเนี่ยมันจะตามไม่ทันเขาใ ช, ใช่ไหมก็คิดว่าถ้าไม่คิดบวชนานเนี่ยสึกออกมาเร็วๆจะดีกว่านี่คือความคิดของผู้ใหญ่แม้กระทั่งพระท่านก็คิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านกงเห็นประสบการณ์ว่าหลายคนที่บวชนานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอสึกออกมาเนี่ยไม่มี ความสามารถที่จะหรือไม่สา ม, มารถที่จะตามทันเขาได้ค ม, มันเป็นลูกน้องเขาคน เ, เ, เ, เด็กกว่าไปเป็นหัวหน้างานซะแล้วแล้วพระอาจารย์คิดยังไงเจ้ า, าคะเพื่อตมาไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะตมาก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากอยู่แล้วแล้วคิดว่าตัวเองก็มีวิชาวความรู้ใช่ไหมหนังสือนังหาเป็นคนสนใจศึกษาเรื่องภาษาก็พอรู้ ไม่พอรู้ว่าเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์มีงานแปลเยอะหนาเล่มหนามากเลยเจ้าค่ะอันนั้นก็ก็อาจรมาคิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้คือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ไม่คิดจะไม่คิดจะรวยนะคิดว่าอยู่รอดได้แล้วก็เป็นคนที่จบหมหายทยาลัยนี่ยังไงมันก็ต้องมีโอกาสได้เปลี่ยนกับคนทั่วไปซึ่งก็จบป .4 ป .6 เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหะ พ อ, พ, อพอเริ่มเริ่มนะพอปีหนึ่งผ่านไป ย, ยังอยู่ในเพจนี้ตอนนั้นได้ทําอะไรกับสังคมหรือว่าได้ได้ยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเอาความรู้ที่มีไปใช้ตรงนั้นร่วมกับธรรมะยังไงอะเจ้าคะ่ะตอนนั้นก็มีงานอยู่สองอย่างที่ได้เริ่มทําขึ้นเพิ่มเติมอย่างแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ป่าพ่อวัดเทตมาอยู่คือวัดป่าสุกโต ก็มีป่าอยู่500ไร่เป็นป่าซึ่งซึ่งอยู่ท่ากลางซ่อมท่ากลางไร่ไร่มันไร่ข้าโพดเป็นป่าป่าประเภทอะไรเจ้าคะมันเป็นป่าดิบแล้งป่าคือข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากประมาณปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งสีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนที่จะมาไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยสอเนี่ยรอบรบรอบ รอบรอบวัดเนี่ยมันกลายเป็นไร่มันสำปะหลังไรเข้าวโพดเขาเขับบุกรุกเขา้เขาไ ป, าไปใช่มีการก็เหลือแต่ยอมปอบยอมป่าอยู่สองสอมยอมหนึ่งคือวัดป่าสุกโตอีกยอหนึ่งคือวัดป่ามหาวันนั้นวัดป่าสุกโตนเนี่ยก็จะมีคนมาตัดไม้บ้างยิงสัตว์บ้างไฟป่าเข้ามาบ้างนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราทําก็คือว่าช่วยดูแลป่า ต่อมาก็เริ่มมาทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเอาอะไรไปป้องกันตัวเองเจ้าคะเขาปืนนะเจ้าคะอ๋อคือเรื่องคือเือคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่คิดจะจะสู้อะไรกับพะใช่ไหมยกให้ยกไว้ให้คือเขาเห็นเราเขาก็หลบแล้วเวลาไปไหนเนี่เวลาเขาไปในป่าเนี่ยเราเพียงแค่เราทําเสียงสบสาสบสารเนี่ยเขารู้เขาก็หนีไปละเพราะคนที่ตามมาคือคนในหมู่บ้านออืนะมั้ยซึ่งเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็อายใช่ไหมเขาก็พยายามหลบ ไม่มีการจะมาจะยิงต่อสู้อะไรกันนะท่านคะแล้วป่าไม้อย่างนั้นไม่มีกรมป่าไม้หรือพวกอุทยานแห่งชาติไปดูแลหรือจ้าคะตอนนั้นยังไม่มีตอนหลังปี 3-4 มสี่นี่ก็เริ่มมีการตั้งสำนักงานป่าไม้อยู่อยู่บนเขาเริ่มประมาณปีส4มสแต่ตอนที่ตะมาว่านี่ประมาณปี27็ก็ยังไม่มีว้ก็ต้องช่วยตัวเอง แล้วก็ถึงแม้และต่อมาเมื่อถึงแม้จะมีสำนังงานป่ามาอยู่ก็ก็ทาว้ก็ต้องช่วยตัวเองอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ า, าเราจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ <Okay. S 2> พอเขาเขาก็ทาไปตามตามตามตามหน้าที่ซึ่งก็ไม่ได้เข้มแข็งหรือจริงจังเท่าไหร่ที่ต่อมาก็เริ่มทําเรื่องการอนุรักษ์ป่า นะกับหลวงพ่อมเขียนซึ่งท่านเป็นท่านเป็นผู้นำในเรื่องนี้แล้วณปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหาว่างปา่าวัดและชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นไหมคะถ้า ถ, ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ดีขึ้นทั้งสองวัดคือวัดปา่าสุกโตแก้ปัญหาด้วยการแก้ปัญหาหง่ายๆนะคือ สร้างกำแพงล้อมล้อมวัดล้อมป่านะซึ่งก็ใช้ก็ความกว้างกำแพงความยวาวของกำแพงก็มา4กิโล mm hmm. ก็ไม่ไม่ได้เหลือบากรแรงเท่าไหร่นั้นต่อไปคนจะเข้ามาตัดสมุนไพรตัดไม้หรือว่าจะมาจุดไฟในป่าก็ไม่ได้ยากเลยหลังเนี่ยวัดป่าสุขตัวก็จะก็จะสบายหน้าที่เราคือปลูกป่าเดียวที่มันเพื่อ่อมแซม ส่วนที่มันเคยเป็นเป็นเป็นทุง่งหญ้าหรือเป็นป่าเสื่อมโทรมวัดป่ามหาวันกับชาวบ้านที่อยู่ ใ, ใกล้ๆวัดเขาก็ล่มหมือมากขึ้นแต่ว่ากับชาวบ้านอื่นๆซึ่งเขามาจากที่อื่นแล้วก็มาอยู่เพียงช่วครัง้งช่วคราวหรือชาวบ้านที่อยู่กลยยไปแต่ว่ามหามหา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 ทำไมเขาต้องมาบุกลุกป่าทำไมเขาต้องมายิงสัตว์ใช่ไหมการบุกลุกป่านี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาชาวไร่งั้นเขาต้องการวิธีการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็คือการการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยก็คือการขยายเนื้อที่ใช่ไหมซึ่งมันเป็นวิธีที่โบราณ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 มันเป็นการผลิตเพื่อบริโภคเพื่อยังชีพเป็นเบื้องต้นก็<อ>นคื อ, อผลิตอะไรคะมันขา้าวโพดมั น, มนขา้าวโพดแล้วก็ต่อมาคืออ้อยพวกนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยทําแล้วไปขายราคามันตกราคามันตกเขาก็ขาดทุนใช่ไหมการผลิตเพื่อค้าขงชาวบ้านจะจะลงเอยแบบนี้ก็คือว่าในสยือก็ขาดทุน หรือได้กําไรนิดเดียวไม่จะเป็นข้าวไม่จะเป็นไม่วจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยนะแล้วก็เพราะงั้นนี่เราก็พยายามบอกว่าการที่คุณผลิตเนี่ยเพื่อไปขายเนี่ยมันเสพเกี่ยวเขาวิธีที่จะลดแล้วมันทำให้เป็นนิสิติวิธีที่จะลดวิธีที่จะลดนี้สิ่งคือว่าซื้อน้อยลงก็คือมาทําทเกษตรผสมผสานปลูกผัก หรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปตามเรื่องคือผลิตผลิตเอ่อผลิตเพื่อเพื่อพเพื่อการบริโภคะจะทําให้ลดรายจ่ายรายได้จะมีไม่มากแต่ว่ารายจ่ายก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งจะทําให้การเป็นที่สินน้อยลงแล้วก็เ อ, เอาเอาเอาที่วัดนี่แหละมาเป็นแปลงสาธิตส่งเสริมชาวบ้านปลูกพักปลูกเกษตรผสมผสานปลูกพลไม้ แต่ว่ามันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าชาว บ, บ้านเนี่ยเขเป็นนี่มากเมื่อเขเป็นนี่มากเนี่ยเขาร้อนเงินวิธีอะไรที่ทําให้เขาได้เงินเร็วๆเขาก็จะทำไอการเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมันได้เงินช้ารายจายมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าได้เงินน้อยได้เงินช้าใช่ไหม ขายเอาผักไปขายก็ได้มาสิบบาทยี่สิบบาท30บาทพออย่างชีพเลไม่เหมือนเอาเอามาันลงเราไปขายทีนึ่งหตันสิบตันเนี่ยมันได้มาเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งเนี่ยใช่มเพราะ้นชาวบ้านเนี่ยเขาคลอนเงินเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีความศรัทธาหรือความเพียรที่จะทําเกษตรผสมผสานสองเกษตรผสมผสานต้องใช้แรงเยอะต้องดูแลใจใส่จะปลูกผักมันต้อง จะปลูกทิ้งแมลงมาเลงอะต้องดูแลใช่หปลูกมันลําปลังจะปลูกทิ้งแล้วก็ประการที่สก็คือว่าชาวบ้านเขายังยังยังยังต้องการเงินสำหรับการไปซื้ออะไรต่างๆมากมายเช่นรถเครื่องตู้เย็นหม้อหุงข้าวอะไรพวกเนี้ย คือคานิยมแบบบริโภคมันเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนั้นมีประมาณคนเยอะไหมเจ้าค่ะก็ประมาณมันมี2คุ้มรถทั้งหมดก็ประมาณร้อยลังคาเรือนแล้วเขาหนี้ใสอย่างนี้เกืบเกือบเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โอก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุก็ทําไปได้สักพักก็ก็ไม่สําเร็จก็เลยเลิกไปเออก็เลยก็เลยเหลือแต่เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ อ้าล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้แสดงว่าปัจจุบันอ้าแล้วเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนก้อนเยอะๆมาเจ้าค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็ใช้วิธีเอ่อหนึ่งปลูกทำเหมือนเดิมคือปลูกปลูกปลูกพืชเพาะขายพืชเศรษฐกิจเพียงแต่เปลี่ยนชนิดจากมันสัมพันหลังมาเป็นอ้อยจากอ้อยมาเป็นตอนนี้ก็เริ่มเป็นจางพลาอ๋อเป็นอย่างพลาขึ้นไปได้ไหมเจ้าค่ะขึ้นไปแล้วเออแต่ยางพาราชาวบ้านไม่มีกําลังที่ ที่จะทหรอกก็เป็นลูกจ้างเขาพยายามพลานี่กว่าจะให้ผลก็หปีชาวบ้านก็ไม่ไหวนะแค่ชาวบ้านเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างไปรับจ้างทํางานรายได้ของเขาเนี่ย ส, สมมติร้อบาทเนี่ยไอการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยทําให้รายได้เขาเพียงแค่40บาทอีกหกสบาทก็ต้องไปหากินนอกหมู่บ้านไปหาอะไรเออเจ้าคะไปรับจ้างตัดอ้อย ก็กลายเป็นรับจ้างไป แ, แ, แ, แต่ก็อยากทำอยู่ใช่ไหมคะพวกไร่นานสวนผสมอะไร่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยนะ oh, <okay. S 2> ออตอนหลังเนี่ยทางทางนี่คือเห็ุนี่คือเมื่อเมื่อสักยี่สิปีที่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็พยายามจะเริ่มพยายามส่งเสริมใหม่ <c oughs> ส่งเสริมให้ชาว บ, บ้านเนี่ยเขาเลดรายจ่ายด้วยการ ใช้สารเคมีให้น้อยลงเพราะเดรายวนี้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยยาฆ่ายาเนี่ยเป็นเป็นรายได้เป็นไรายจ่ายหลักของเขานะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งปลูกปลูกมันเนี่ยก็ต้องใช้ยาฆ่ายาแล้วช่วงนั้นนี่โครงการอนุรักษ์นี่ประสบความสำเร็จใช้เวลานานไหมคะก่อที่ชาวบ้านเขาจะเข้าใจก็อย่างสุกโตนี่ก็20ปีนะอตอนนี้ก็มันเริ่มปามก็เริ่มขึ้นมาใหม่ แต่จริงปัญหาปัญหาต่อหลังของของสุโกโตหรือของผู้หลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาจากชาวบ้านมาตัดไม้แต่เป็นปัญหาคือไฟไฟซึ่งชาวบ้านเองเขาก็คุมไม่อยู่เหมือนกันแล้วแให้หน่วยงานไหนมาช่วยนะเจ้าคะก็วัดกับชาวบ้านหน่วยงานวัดกับชาวบ้านออคือจะหวังพึ่งหวังพึ่งราชการไม่ได้คือรู้รักป่าอะไรอย่างนี้เขาไม่ไม่เข้าไปเลยน้อย คือถ้าของนี้เนี่ยถ้าเจ้านายไม่สั่งเขาก็ไม่ทำซึ่งเจ้านายก็ไม่เคยอยู่คือเดี๋ยวนี้ระบบคือสานักป่าไม้เนี่ยมันอยู่ในชนบทก็ก็มีแต่ว่าออกมากินตาแหน่งแต่ตัวไม่รูอยู่ไหนใช่ไหมปีสองปีก็ค่อยเลื่อนไปเดี๋ยี้บเจ้านายไม่อยู่เนี่ยพอมีไฟไหม้ บางทีเขาก็ลูกจ้างเจ้าที่เขาก็ไม่กระตือรือร้นและปัญหาหนึ่งคือว่าเจ้าที่หรืลูกจ้างมักจะถูกพาไปไปทํางานที่อื่นหมายถึงไปดูแลที่อื่นเพราะว่าเปนขาดคนก็ไปรัดตัวเวนที่นั่นที่นี่บ้างใช่ไหมพอไฟมาก็ไม่มีใครไม่มีเรื่องชาวบ้านค่ะอาที่ฟังฟังมาเนี่ยเหมือนกับเป็นพระนักพัฒนาแต่ว่า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 แล้วก็ก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คนยังขาดอยู่คือเรื่องของมิติน้านจิตใจเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนทำงานด้วยความทุกข์ประสบการณ์ของธ ม, มาเองก็เป็นเช่นนั้นก็อยากจะนำเอาเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาโยงกับชีวิตจริงของค น, นที่ทำงา น, นหรือว่าคนในเมืองเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ปีแรกๆเลยเนี่ย ตมาก็จะได้รับนิมนต์ให้ไปพูดปีแรกเลยนะเจ้าค่ะเป็ปีแรกแรเพราะว่าตอนที่เป็นตอนที่เป็นตอนที่เป็นคารวะเนี่ยก็ก็มีงานพูดงาเขียนตอนนั้นอ๋มีเขียนตั้งแต่ยังเป็นคารวะเลยตอนนั้นเป็นงานแนวไหนเจ้าค่ะก็เป็นงานแนวเรื่องการพัฒนาสังคมเรื่องเรื่องสันติวิธีโอ้หนักหนักเรื่องสังคมใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องธรรมะแบบ แนวคิดแบบพุทธเช่นเป็ น, เ, นเรื่องออการพัฒนาแบบพุทธอะไรแบบนี้ดูฟังดูแล้วหรือาการอ<ม>เอาการเอาประเพณีแบบพุทธนี่มาส่งเสริม ง, งานพัฒนาคือตอนนั้นเนี่ยตา ม, มาอยู่ในแวดวงเรียกว่างานพัฒนาเจ้าค่ะแล้วตามาก็ชื่อเรื่องชื่อ่แนวคิดแบบพุทธเรื่องการพึ่งตนเองใช่ไหมก็เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาบวชเนี่ยก็ยังได้รับ นิมนต์ให้ไปพูดแต่ว่าเรื่องที่พูดส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ด้วยเพราะเรื่องคือเนื่องจากตรรมาได้เห็นอนิสงส์ของสติ <Okay. S 1> ก็เอาเรื่องของสตินี่มาม า, มาพูด <Okay. S 1> ให้คนได้หเห็นว่าจริงๆถ้ามีสติเนี่ยสตินี่มีอนิสงส์มาก <Okay. S 1> ทั้งในการทำงานทั้งในการดาเนินชีวิตน้อนไม่หลับ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 มันเห็นถึงความแตกต่างอ่ะคนโกรธง่ายแล้วมันมันดับโกรธได้แล้วเริ่มเริ่มช่วงช่วงแรกจําจําวันแรกที่บรรยายในในตอนที่เป็นเพศมัลติชิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนั้นเรื่องอะไรอ่ะเจ้าคะ่ะคือเอ่อก็ให้ไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ก็บวชมาได้ซัจรินก็หลายเดือนแล้วนะเจแปดเดือนแล้วคือช่วงช่วง ช่วงโวยเป็นหมายแต่มาไม่รับงานนะตั้งแต่ไม่รับงานเลยจนกระทั่งออกเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษานี่ก็ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอย่างเต็มที่หนังสือก็อ่านน้อยมากแทบจะไม่อา่านหนังสือเลยคือจะปฏิบัติแบบเข้มเจ้าค่ะนะอาจจะมีตอบจดหมายอะไรบ้างแต่ว่ามีตอบจดหมายมีคนถามจดหมายด้วยเลยเจ้าค่ะคุยจดหมายเรื่องธุระเรื่องงานเรื่องการก็ยังมีอยู่ใช่ยังไม่ตัดสิเดียวแต่ว่าจะไม่ค่อยมีงานการพอเริ่มจะเริ่มมีงานการี่ ออกพรรษาแล้วคือตมาอยากจะพาหนุ่มสาวเข้าวัดก็จัดทำโครงการเรื่องเรื่องพุทธศาสนากับคนหนุ่มสาวโอ้โหโปรเจกต์ใหม่มอีกแล้วอ่านี่เริ่มแล้วพุทธศาสนาคนหนุ่มสาวพาคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโกโตไปดึงใครมาจะก็แอวดวงสมาชิกชมุมนุมพูดนักปฏิบัติแล้วก็พวก NGO อ พวกกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ส่งยังไงส่งจดหมายไปหรือหรือมีการบอกคือเรามีเรามีเครือข่ายที่ชุมนุมพุทธใช่ไหมอาตมามีนุ่งมองชุมนุมพุทธแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็น NGO นจีโอที่อาตมาเคยทํางานด้วยก็บอกว่าเรามีโครงการอย่างนี้เรามีการจัดบรรยายพุทธศาสนาคนหนุ่มสาวในมิติต่างๆนี่มนหลวงพ่อคำเกณฑ์มาพูดมีมีเข้ามาเยอะไม่จำกัดก็สามสี่สิบคน เสร็จแล้วก็จัดจัดบรรยายใช ท, ที่ที่กรุงเทพรประมาณสักสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งเลยเหรอคะอะ่แล้วก็เสร็จแล้วจุดสุดท้ายก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่วัดปาสุขกโตประมาณเจดวันโอ้ให้มาที่นี่เลยจำได้ก็เป็นเดือนเดือนธันวาสองหกหนาวมากเลยตอนนั้นมองเห็นปัญหาอะไรก็รทำไมถึงเลงไปที่หนุหน่มสาวว่าต้องเข้าว้เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไม่ค่อย มองเห็นถึงคุณค่าของการเข้าวัดเข้าวังใช่แต่ว่ามันจะมีพวกที่พวกพวกที่เสียเรียกกับชีวิตมีอยู่นะฮะแล้วก็พวกที่ทํากิจกรรมเพื่อตะมานี่จใจใจคุจ้ในเคยกับในบ้นาองผู้ที่ทํากิจกรรม <c oughs> ทั้งที่เป็นนักศึกษาทํากิจกรรมค่ายทากิจกรรมพวกสลัมทํากิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม <c oughs> ใช่ไหมพวกชุนุพูดด้วยแล้วก็พวกพวกเอ็ก็พอจะรู้จักคนพวกนี้ก็แนะนําำเข้ามา <c oughs> ใช่ไหม ก็เขาก็มาปฏิบัติเสียงตอบรับนะคะก็ก็ดีนะเอ่อหลายคนก็เริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นบางคู่ก็แต่งงานกันเพราะคู่มาในงานสองสมคู่ก็ยังก็ยังก็ยังก็ยังโน้มไปในทางเรื่องของการปฏิบัติธรรมแตทุกวันนี้ใช่ไหมค่ะปฏิบัติธรรมนี่เน้นให้เขาปฏิบัติยังไงคะนั่งสมาธิหรือว่าเทียนใช้เทคนิคเลทียนรื่สติค่ะ แต่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริง <c oughs> ๆก็ไม่ถึงกับมากนะแต่ว่าความสนใจเชนการอ่านการการเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มคือเริ่มเริ่มกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วต่อมาเขานิ ม, มนต์ไปพูดอย่างเช่นไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมก็ก็ไปพูดคนก็ไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็คือต่อมา ขยันเขียนด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดก็เอามาเขียนเอามาเขียนก็มาพิมพ์หนังสือคนก็เริ่มสนใจแล้วพิมพ์งานพิมพ์ที่ออกมานี่ในในหมู่แวดวงตรงไหนคะจะหาซื้ออ่านหรือแจกหรือยังไงเจ้าคะคือตอนนั้นเนี่ยอาตมาอยู่ใกล้ชิดกับมูลนิธิหนึ่งคือมูนิทิโกมันครีมทองอ๋อปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะคือข่ายพุทธกา่อาตมาก็เคยพิมพ์หนังสือให้ ช่วยพิมพ์หนังสือให้กับมูลนิธิกรมอังกิมทองเกี่ยวเรื่องศาสนาเนี่ยแ <Okay. S 1> หละเข้ามาแล้วก็ตอนหลังเราก็ทํามือที่ก็พิมพ์หนังสือของอาตมาด้วยอา่าแล้วก็มีปีสองเจ็ดทำมือที่ก็นิมนต์อาตมาไปเป็นองค์ปาถกประจําปีของมูลนิธิกรมอังกิมทอง mm hmm. ก็ไปพูดเรื่องว่าแสวงหารากทา ง, งชีวิตในโลกแห่งกิจกรรมอ mm hmm. okay. ชื่อมันก็ไปเตะเตะไปกระทบใจคนที่ทำงานกิจกรรมะะนะว่าการทำกิจกรรมนี่มันต้องมีรากฐานชีวิตด้วยหรือแล้วก็ได้ทราบว่าเมื่อพิมพ์ปทกวีฐาชุดนี้คือต้อมาเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วพิมพ์เป็นเล่มปมีสองเจ็ดประมาณเกือบร้อยหน้าร้อยหน้าแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวตัวตัวแบบ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 แล้วก็พูดถึงปัญหาของนักกิจกรรมว่านักกิจกรรมเนี่ยเขาถ้าไม่มีถ้ารักฐานชีวิตไม่มั่นคงคือไม่มีมิติ ด, ด้านจิตใจเนี่ยเขาจะทางานได้ความทุกข์หรือเขาจะทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าหมดแรงหมดสภาพป่วยเครียดหรือไม่เช่นั้นเขาก็จะถูกกิเลสหลอกพาไปจนกระทั่งทํางานเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อสังคมแต่ทําเพื่อตัวเองใช่ไอมนี่ก็พยายามพูดตรงนี้อแล้วก็ ก็บอกว่าทํางานต้องมีความสุขน ะ, ะแล้วความสุขเกิดขึ้น้ต้องมีสติงงี้ก็ก็โยงมาอย่างเงี้ยคนอ่านเขาก็เริ่มน้อมมาทางนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่ที่ได้นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะนะักกิจกรรมนะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่พอพอแบบพอคนพูดเนี่ยบอกว่าให้ลงมาที่ตัวฉันหน่อยก็จะตั้งใจฟังแต่จริงๆแล้วน่ยคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยฮะใช่แต่ว่าตา ม, มาก็จะเนื่องจากใกล้ชิดกับ คนพวกนี้ก็จะรู้ปัญหาอุปสรรคของเขาที่มีนกนี้เนี่ยเขเป็นคนมีอุลมคติคใช่ไหมเขามีคนอุดมคติแต่ก็ต้องต้องการเน้นว่าคุณอุดมคติของคุณเนี่ยมันจะมันจะไม่ผันแปรถ้าเกิดคุณมีมิติด้านจิตใจซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมีคําตอบให้มีแนวทางให้นะก็ก็ได้ทราบว่าหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เกิดความ ปะทัใจแล้วจิตใจก็โน้มมาเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นปัจจุบันยังมีมีตีพิมพ์อยู่ไหมเจ้าคะมันจะไปหาอ่านได้ที่ไหนไม่ได้ตีพิมพ์มาพิมพ์ไม่ได้ตีพิมพ์มาสิกว่าปีแล้วเพราะว่ากลายเป็นหนังสือเฉยไปซะแล้วเพราะว่ามีจริงๆริงเรื่องใหม่ๆของพระอาจารย์เนี่ยขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าต้อมาเขียนหนังสือเลื่อนั้นเมื่อยุยยี่ 27อเองซึ่งบวได้แค่พรรษาเดียว oh, แล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็มีอะไรมีอะไรใหม่ๆที่จะพูดแล้วหนังสือที่บทความทุกอย่างนี่พระอาจารย์มีเป็นแหล่งศูนย์กลางที่ตัวพระอาจารย์เองเลยไหมเจ้าคะอย่างคนเขาต้องการเยอยากอยากได้งานของพระอาจารย์ออกไปตีพิมพ์เพื่อเพื่อเป็นธรรมทานอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันก็ค่อนข้างกระจ า, ะจายนะ ตอนระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีหลายสนพิมพ์ขอไปพิมพ์เอาบรทความเก่าๆแต่ส่วนใหญ่เก่าๆในที่นี้ก็คือไม่ไม่เกิดปี40คือบทความในช่วง10ปีหลังนี้ก็เริ่มมีคนมาขอไปพิมพ์แต่มันก็ไม่ได้ทั่วถึงนะเพราะว่าที่ไม่ที่ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ก็มีอีกเยอะมืนมที่ไม่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มนะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังก็จะตีพิมพ์เป็นวารสารอยู่ในวารสารอยู่นั่นือพิมพ์วารสารอะไรบ้างเจ้าค่ะมันก็เป็นวารสารแบบแบบ ใบบุญเล็กๆของพวกเอ็นบ้างหรือว่าของของพวกหนังสือพิมพ์ที่อาจจะอาจจะเผยแพร่วางขายในตลาดแต่ว่าลงครั้งสองครั้งเช่นนิตยสารครัวเคยได้ยินนะเทอสันคุยซีอะไรเงี้ยก็ครั้งสองครั้งเข้าไปอยู่ในไหนได้ด้วยเขามาขอขอบทความแกบทความบอกว่าขอบทความไปตีพิมพ์หน้าสุดท้าย S 1> <S 1: อะไรเงี้ยคือเขาจะไปขอบทความจากคนที่น่าสนใจซึ SI ่งมันก็มีเยอะในเมืองไทยใช่ไหมก็ขอมาเปลี่ยนไปเล่มละคนเล่มละคนแต่ว่าที่ที่พิมพ์ประจาก็มีนะซึ่งสนใจก็ก็มักจะมีการตีพิมพ์เป็นเล่มเช่นมติชนสุดสัปดาห์พพอได้พอได้ไปแล้วก็เอามารวมเล่มมติชนสุดสัปดาห์แล้วมีมติชนรายวันแล้วก็สารคดีจนปัจจุบันนี้ ก็มติชนรายวันก็มีออกวันไหนอะเจ้าค่ะออกอาทิตย์ที่สของเดือนอาทิตย์ที่สของเดือนพอถ้าถ้ามีท่านผู้ฟังจะไปดูก็มีแล้วยังมีเอาในเนื้อหาตรงนั้นเอามาไว้ในอินเทอร์เน็ตก็เยอะเยอะเจ้าค่ะแล้วก็มีทั้งแบบหลายๆหน้าหรือไม่ก็ข้อความสั้นๆใช่สองหน้าเจ้าค่ะเขาก็ติดต่อมายังไงเจ้าคะก็เป็นเพื่อนบัางเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจะ รับเขียนให้ก็เพราะว่ารู้จักกันมาก่อนคือทําไม่หรือไม่ก็เขาเขาสนใจที่จะพิมพ์อย่างต่อเนื่องแล้วแต่มามีเวลาให้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับให้กับที่อื่นนะส่วนใหญ่จะรู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อน <c oughs> แล้วก็มาขอ <c oughs> เช่นสารคดีแล้วก็ตอนหลังก็มีอย่างแม้กระ ท, ทั่งที่เจสันอิมเมจนี่ก็มาขอก็อิมเมจนะคะ แต่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะส่วนใหญ่งานเก่งก็จะเป็นการให้กําลังใจให้ธรรมะให้ในการเจริญสติอย่างวิธีทําใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์รืไหวทวนน้าอะไรอย่างาี้ค่ะแล้วยังไงคะมันพลิกผันยังไงถึงมาถึงเรื่องของความตายได้อย่างเหนือความตายเนี่ยคะทำไมถึงพลิกมาเป็นเรื่องของความตายเลยคะเพราะช่วงหลังๆนี่เป็นเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอัตมาสนใจเรื่องความตายโดยส่วนตัวมานานเพราะว่า ก็เช่นเดียวคนทั่วไปเวลานึกถึงความตายแล้วก็จิตใจเราก็หวั่นไหวอาตมายังจำได้เมื่อช่วงปี1นเนี่ยตอนอนาตมาทำเป็นใกลเป็นบอกกอสาราปาจริยสารก็ไปทำบทความนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของครูกกมันคิมทอง ค, ครูโกมันคิมทองแกถูกยิงตายเมื่อปีหนึ่ง แล้วก็ปี1น่อัตมาก็ได้มีโอกาสกลับไปที่ที่บ้านที่ครูโกมกิมทองเนี่ยเสียชีวิตถูกยิงตายแล้วก็ได้ไปพักในวัดนะซึ่งครูโกมกิมทองเคยไปเยี่ยมเยียนตรงนั้นเนี่ยมันปี1นปนี่เป็นช่วงที่เกิดการสู้รบ ก, กันภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยดูเดือดมา ก, ส, กสงครามล่วงคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลเนี่ยรุนแรงมากอัตมาไปพักที่ นาสาร น, นาสารนี่เป็นไม่ไกลประมาณักเจ็ดแกิโลเมตรเนี่ยจะดินเสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่ยิงสูร้รบกันระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นเนี่ยมันคนในแถวนั้นเนี่ยคนแถวนาสา น, นี่ถูกยิงตายเป็นศพอยูอย่อยู่บ่อยบ่อยบ่อยนี่<ข>ตกประมาณสัก เดื อ, อนเ น, นึ่งไอ้สักศพสองศพไม่เหมือนภาคใต้เวลานี้ภาคใต้เวลานี้มั น, มนแรงกว่า น, นั้นแต่ที่โนเนยังเป็นเขตสีแดงแล้วเขตสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาไปก็หนึ่งเราก็เราก็ตกเป็นที่เราแว่งสงสัยไหมของเจ้าหน้าที่รัฐสองอบรรยากาศการต่อสู้เรื่องความตาย มันก็ทําให้เราเกิดความสะพึงกลัวก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายเนี่ยแล้วเราจะจะยอมรับมันได้ไหมจะ ต, ตายด้วยด้วยด้วยผลใดก็ตามคือปกติก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่พอไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยบรรยากาศของความรุนแรงบรรยากาศของคนตายบรรยากาศกของโกงมกิมทอนที่ถูกฆ่าตายใจไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ในวัน ซึ่งวัดเนี่ยก็เป็นวัดที่หลุงพ่อจําเนียนมาสร้างลุงพ่อจำเนียนกุลเศษรษฐโถนี่นะแล้วก็ท่านก็มีประวัติในเรื่องของการพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่มันจะมีเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังที่ทำให้เราก็พผวาเวลานึกถึงเรื่องความตายก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะ เราจะเผชิญรับมือกับมันได้อย่างไรถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราตอนนั้นตอนปีอะไรนะเจ <1, S 1> <8 S 2> ้าก็ยังยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชแต่นี่นี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่คือจุดหนึ่งที่เริ่มเริ่มอยู่จุดประกาย<อ>ใช่แล้วก็รุ่นตมันจะเป็นรุ่นที่ใกล้ชิดความตา ย, ยบ่อยๆได้เห็นไหมคะได้เห็นความตายต่อหน้าเคยได้เห็นไหมเจ้าก็เคยก็กลัวรถอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุกลางถนนแล้วเห็นศพแล้วก็ก็ ตอนนั้นปัดใจดูหรือว่าเบือนหน้าหนีเจ้าคะมันทั้งเบือนหน้ามันทั้งอยากดูเห็นแล้วแล้วก็มันก็ค้างมันติดตาอยู่นานเพิ่งจะตมาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องเจอพวงนี้วันอย่างค่ำแล้วเราจะหนีมันได้ยังไงเราไม่มีทางหนดีดเริ่มคิดแล้วแล้วก็ช่วงของตรมาเนี่ยผ่านในการ14ตุลาผ่านในการ6ตุลานะ มีส่วนเสียเพื่อนไหมจ๊ะมีะนะ <laughs> แล้วก็ก่อนโตุลาก็มีการรอบสังหารคนชาวนานักการเมือง ก, อกรรมกรปีช่วงปีหนึ่งเจดถึงหนึ่งกนี่มีคนถูกรอบสังหารยี่สาสิคนเนี่ยคือบรรยากาศที่จะมาอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยมันทําให้เราถามเรื่องว่าแล้วถ้ามันถึงเราหรือถ้ามันเกิดกับเราหรือถ้ามันเกิดกับค น, คนอื่นคนที่เรารักเราจะทํำยังไงเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งซึ่ง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 ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเบทเทนบุ๊ก of ฟลิฟกิ่ n แอนด์ดายิของโซเกียริโปเช่ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อมากในในตนตกนั่นประมาณปี3ามเจ็ดเขาเขาเป็นคนชาวชาวอะไรอ๋อเป็นที่เบทเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะแต่ตีพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษแล้วก็ได้รับความนิยมมากในในในยุโรปอเมริกาใช้ภาษาที่ไพเราะแล้วก็ร่วมสมัยไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่ไหนนแนะนํา มีคนแนะนำมีเพื่อนที่อเมริกาแนะนำแล้วก็ก็ามาให้ยืม อ, าอม่านนะแล้วก็แล้วเบอก ว, ว่าเป็นหนังสือเล่มนี้แต่ละความชมมากม้กรั่งในหมู่พระสงฆ์ชาวพุทธก็เลยสนใจที่แปลอัตมาก็เริ่มแปลในปีสามเก้าเล่มแรกนี่ภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะเจ้าค่ะคือชื่อมันชื่อที่เบทเทิ o บ o ๊ก i อฟดิวิงเดนด์แล้วท่า น, นมาเปลี่ยนปไทยเป็น ประตูสู่สภาวะใหม่ประตูสู่สภาวะใหม่นี้เป็นเป็นประตูสู่สภาวะสภาวะใหม่นี้เล่มแรกเหรอเจ้าคะแต่จริงๆมันคือภาคสองของของเล่มนี้นะภาคแรกคือจากใจถึงใจจากใจถึงใจคือบทหนึ่งในประตูสู่สภาวะใหม่เป็นบทแรกของประตูสู่สภาวะใหม่เจ้าค่ะซึ่งอาตมาเอซึ่งทางกรุงมิ่งทองเขาแยกออกมาพิมพ์เพราะว่ามันอ่านง่ายบทนี้อแล้วก็ทําให้อาตมาได้ ได้รับประโยชน์เป็นส่วนตัวจากหนังสือเล่มนี้มากแล้วก็คนที่เขาได้อ่านเขาก็ได้รับประโยชน์อย่างเทียตมา ก, ก็นึกไม่ถึงการเป็นหนังสือซึ่งทั้งที่เล่มตาแล้วก็อ่านยากแต่ว่า ก, ก, ก, ก็ก็ต้องตีพิมพ์หลายครั้งที่บอกว่าเขาได้รับประโยชน์นี่คือเขาม า, อาบอกเล่าหรือ ย, อยังไงใช่ขเขาบอกขอเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาวิเอาแนวคิดจากอาวิธีการแล้วก็แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับญาติของเขาเวลา ซึ่งกําลังปว่วยหนะักแล้วก็นนแนวคิดนี่ายทอดออกมานิดนึงได้ไหมคะอย่างเช่น อ, อ่การช่วยให้การช่วยให้ผู้ปว่วยเนี่ยการเขาตายอย่างสงบโดยเขาโดยโดย <c oughs> ให้ความสำคัญกับเรื่องของการปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ Gear, <agreements. S 2> อะไรที่ค้างคาใจเนี่ย <hungry. S 2> ต้องให้เขา<ๆ>ปล่อยวางให้หมด คุณคุณโซเกียนนี่เป็นนักบวชหรือว่าเป็นเป็นเป็นนักบวชเป็นก็เรียกว่าเป็นพระชาวทิเบตเป็นพระแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องอย่างนี้ออกมาอืมคือเขาเป็นการขยายความจากคำพีบรอนัสสาของทิเบตที่มีชื่อมากคำพีนั้นชื่อเป็นภาษาเกวะทิเบต The Book of d y i n g เพื่อเพื่อตายออ ที่เบเทนลบุ๊กออฟเดอนะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องว่าภาวะใกล้ตายและภาวะก่อนตายภาวะขณะที่กำลังจะตายแล้วก็ภาวะหลังตายหลังตายก็เนหลังตายด้วยแล้วพูดได้ว่าแม้กระทั่งจะช่วยจะช่วยคนนะใช่ว่าคนกันคนที่อยู่ในภาวะหลังตายได้อย่างไร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 ถ้ามีสติก็จะรู้ว่ามันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในจิตมันเป็นปรากฏการณ์จากจิตซึ่งถ้าเกิดรู้ก็จะไม่ก็จะวางจิตให้เป็นปกติได้ไม่ตื่นกลัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่หวังครอบครองหรือเข้าไปคลอเคลียกับมันสภาวณฉะนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นพื้นฐานในการหลุดพ้นได้ หลุดพ้นได้เลยหลุดพ้นเดีเดียวเาชื่อแบบนั้นนะซึ่งอันนี้มันมากมันทางเถลว่าเนี่ยไม่ได้พูดถึงเถลว่าจะพูดเฉพาะว่าในช่วงพรว่าที่ใกล้ตายหรือพรว่าที่ขณะที่กำลังจะตายเรื่องอสัญกรรมจิตสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นได้เป็นขณะที่มีพลังในการที่จให้ทําให้จิตเนี่ยเกิดความหลุดพ้นพอเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ได้ นี่ในทางเทราวานี่จะพูดตรงนี้ไว้อาจารย์พุทธทาสก็จะเรียกว่าเป็นนาทีทองของชีวิตตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าที่เบสเขาไปไกลกว่านั้นคือว่าบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งหลุดแม้กระทั่งตายไปแล้วนะถ้ายังไม่ไปเกิดใหม่ก็ยังมีโอกาสหลุดพ้นได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะ <c oughs> เขาก็ยอมรับว่าเปอร์เซ็นต์น้อย <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> เป็นประเพณีของที่เบสที่จะอ่านให้ฟังลลแล้วใครและที่จะเป็นคนพิสูจน์ได้อ๋ก็ ก็ไม่มีแต่ว่าคือเขาก็เชื่อว่าคือเาเราเชื่อว่าพระอรหันต์นี่ท่านมีอภิญญาใช่ไหมอย่างที่เราอย่างที่พระอนุรุทธาเนี่ยท่านก็มีจิตอย่างเห็นถึงภาว่จิตของอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านกำลังจะดับไปใช่ไหมก็เห็นเนี่ยอันนี้พระอนุรุทธาท่านมีท่านมีท่านมีญาณงั้นเราก็เชื่อว่าอภิญยาของพระอรหันต์บางรูปเนี่ยสามารถจะทําให้อย่างรู้ถึงความจริงข้อนี้ซึ่งทําให้ ท่านเหล่านั้นเอามาเขียนเป็นตำราได้เจ้าค่ะตอนนี้พออ่านตำราตำราเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ได้เจอจริงๆอพอท่านได้เริ่มมีการแปลตำราแล้วคราวนี้พอมาเจอสภาพจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเจ้าคะ่ะควประสบการณ์ตมาใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ตมาหลังจากที่เขียนหนังสือเล่มแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เวลามี คนที่ใกล้ตายยาตมีเขาก็มาขอให้ไปไปไปนำทางให้เริ่มนะคะพอเขียนตาราแสดงว่าต้องมีควา <c oughs> ม <c oughs> เชี่ยวชาญชำนาญ <c oughs> ระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปไปพูดนำทางให้ให้กับผู้ผู้ใกล้ตายรายแรกนี่เลเป็นอะไรเจ้าคะก <c oughs> ็เป็นแม่ของอนนะเป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่งซึ่งเออ ซึ่งเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากหรอกห้สบได้แล้วก็ตอนที่อะมาไปก็เริ่มจากโคม่าแล้วฟังรู้เรื่องไหมเจ้าคะ่ะคือเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าฝังจะเขาผู้ป่วยก็จะรับรู้ถึงตอนนั้น<อ>ที่รโรงพยาบาลหรือที่บ้านาที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลใช่คือเรามีความเชื่อว่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็หลักฐานมากมายที่ชี้เห็นว่าผู้ที่โคม่าแล้วเนี่ย เขาสามารถจะรับรู้เขาสามารถจะได้ยินหรือแม้กระทังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาได้ตอนที่ตาเขายังหลับอยู่ตอนที่เขาหลับตาเขาไม่ตอบสนองอันนี้ถ้าถ้าสนใจก็จะจะพูดได้อีกยาวนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือว่าอตมาก็จะก็ไปพูดนำแล้วก็การพูดเช่นนี้เนี่ย อันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทําให้ญาติทําให้ลูกเนี่ยเขามีความปล่อยวางได้คือบรรยโยยาจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ผู้ป่วยเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ลงเอ่ยว่าเขาไปอย่างสงบอืใช่ไหมแล้วก็ถ้านเจตามาทราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิดและ ว, วิธีการของหนังสือเล่มนี้ไปใช้นะเขาก็ได้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 ให้กับผู้ตายการบรรยากาศความสงบเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นว่าแม้กระทั่งไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายเนี่ยบรรยากาศแห่งความสงบก็สําคัญ <c oughs> เราไปคิดว่าเ้าตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรแล้วจะไปทําอะไรกับศพไปทําอะไรกับล่างก็เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูก <c oughs> นะเพราะว่าในเพราะว่าจิตนล้วเนี่ยจิตก็ยังอาจจะรับรู้อะไรได้ถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยสามารถพูด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 มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาตายตอนที่พ่อแม่ตายคุณไม่ได้อยู่ไอ้พวกนี้มันเกาะจิตนะผุดขึ้นมาอ่าุดขึ้นมาอ่อะไรทํานองเนี่ยหรือว่าได้ได้ทําอะไรไม่ดีกับลูกใช่ไหมด่าว่าลูกไม่มีเวลาให้กับลูกทำคนนี้มาตลอดนะแต่ว่ามันเจอตรงนี้มันก็ติด่ย แต่พอเราพูดถึงความดีของเขานะความดีของเขาเนี่ยมันก็ทําให้จิตเขาเนี่ยน้อมไปสู่ภาวะที่เป็นกุศลแล้วนะอัตมาพูดว่าหลายคนเนี่ย <c oughs> เขาไอ้ความทุรนทุรายกระเสาะกระส่ายเนี่ยมันน้อยลงนะที่ทุรนทุรายนี่หมายถึงว่าจิตเขายังไม่ไม่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 เช่นมีมีมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ในวัในสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระงับปวดคลีอซีเดทนะแต่ว่าพอให้ไม่ทันไหลเนี่ยสงบสักพักก็เดี๋ยวกระสับกระส่ายใหม่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 เธอเนี่ยเป็นคนดีนะทำความดีมาตลอดนะอย่าได้เป็นห่วงยังไงเนี่ยพยาบาลก็จะอยู่ช่วยเธอตลอดเวลาแกก็สงบลงเลยนะสงบลงตอนหลังเนี่ยพอพอแกก็้จะตายนี่แกก็ถอดถอดใส่หน้ากากเครื่องช่วยใจออกแล้วก็บอกลาคน mm. คือแกแกไปอย่างสงบ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 นะแล้วก็จะแต่เรื่องของการช่วยนําทางผู้ใกล้ตายเนี่ยก็ก็มีอยู่บ่อยๆแล้วก็สับประมาณได้ไหมเจ้าคะว่าไปแล้วประมาณปีอะไ่อนที่จะไปอ๋อไ่แต่ว่ามีขึ้นชื่อว่ามักจะพูดล้อเล่นกันว่าคนไหนที่จะมาไปไปเยือนนี่มักจะมักจะมักจะอยู่ได้ไม่นานคือมีการแนะนําก่อนหน้านั้นไหมคะคือถ้าไปแนะนําในวันที่เขาจะเสียเลยเนี่ย มันมันนั่นมันจะต้องมีการแนะนาอะไรกันมาก่อนได้คุยกันมาบ้าง ก, ก็จะก็จะบอกก็จะบอกบอกออแนะนำญาติของเขาให้เขาให้เขารู้วิธีพ่อทำไมอย่าอย่าย้ำแล้วก็บอกกับหลายคนว่าคนที่แนะนำคนที่จะช่วยคนไข้าตายสงบเนี่ยคนที่มีบทบาทมากเนี่ยคือญาติไม่ใช่พระอย่าไปหวังพึ่งพระ เพราะว่าพระเนี่ยท่านไม่รู้ประวัติของคนไข้ดีนะและคนที่จะรู้จักจิตใจของคนไข้ดีเนี่ยรวมทั้งรู้วิธีที่จะปลดเปลืองสิ่งค้างคาดใจเนี่ยคือญาติเพราะบางครั้งเนี่ยความค้างคาดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับญาติอย่างเช่นมีมีม มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็สมองกระท ก, กแทกโคมา่านะพ่อเนี่ยก็พยายามให้หมอเนี่ยช่วยเต็มที่นะยอมรับความตายของของลูกไม่ได้นะคนไข้เนี่ยนะแกไม่ตอบสนองแต่ตายกระเปิด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 คมีคนมีคนแนะแกก็เลยพูดถึงความในใจขอโทษลูกว่าพอนี้นะไม่ได้มีเวลาให้กับลูกนะขอโทษลูกที่ได้เคยดูด่าว่ากล่าวลูกนะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยเขาไปสงบแล้วพอพูดจบเนี่ยลูกแกก็ลมหายใจก็หมดไปเลยนะฮะคือแบบนเนี่ยนะ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 คนไข้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะขอกลับบ้านไปตายที่บ้านนะและะ้บอกว่าตลอดเจ็ดวั น, นเนี่ยนะญาตินะแม่พี่น้องสามีลูกหลานก็มาก็มาห้อมร้อมเป็นกำลังใจไม่ได้เป็นกำลังใจใเฉยชักชวนนะคนไข้ทำวัดสวดมนต์นะ แล้วก็ทุกวันทามสมาธิบ้างแล้วก็พอส่องสมาธสุดท้ายเนี่ยก็ชวนคนไข้เนี่ยนะให้น้อมนึกถึงพระรัตนตรยัยให้เอาพระัตนตรัยเป็นที่พึงให้เดินตามพระัตนตรยัยคือพระผู้ประทานพระสงค์ไปอย่า ก, กลัว <c oughs> นะและขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยนะให้โหสินะให้โหสิแกทุกคน หลอรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนะและขณะเดียวกันญาติญาติก็มาขอขามาอมขอโหสิด้วยเ่ราะสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าตัวก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมตอนเที่ยงยังขอกินข้าวอยู่เลยแต่พอให้กินข้าวไปแต่คำสองคำก็ก็ไม่ไหวตอนบ่ายญาติญาติเนี่ยก็ชว น, วนกันสวดมนต์พันจก นะแบบจนะีนนะนะสั้นๆ mm hmm. พันจบ <Okay. S 2> ก็ยังรู้ตัวดีแต่พอสวดไปได้สซ่หกร้อยจบแกก็นิ่งไปแล้วพอไปดูพราก็ว่าหมดลมแล้ว mm hmm. แต่ว่าญาติๆก็ยังตกลงว่าจะสวดต่อจนครบพันจบเป็นของขวัญ mm hmm. สุดท้าย mm hmm. ให้กับคนไข้ mm hmm. คนไข้เนี่ยรู้ตัวเกือบจะตลอดเลย mm hmm. ใช่ไหมจงกระทั่งเกิดเวลาที่สุดท้ายหมดลมแล้วก็นิ่งเนยหมดลมแล้วก็ไม่กระตัวแต่ปลายปลาใช่ไปแบบนิ่งเนซึ่งหมอเนี่ยก็งงเพราะหมอบอกว่าจะทําไม่เบลอหมดเสร็จจะก็แต่นี่เกจะรู้ตัวจนเกิดจะ 5- ้าิสุนสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเนี่ยโดยโดยความร่วมมือของญาติพระไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมอัตมาก็เคยไปไปเทศให้กับคนไข้รายนี้อยู่ นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจริงๆเนี่ยคือญาติ่ะพระอาจังยแมกเดี๋ยวคลองนั่งก่อน ไ, ได้ไหมเดี๋ยวพักก่อนได้ไหมเนี่ยพี่กระท้องไม่ดีหร่ลำไส้ร้องหน้าเ<า>ดิอเลยทานแล้วทานมาก <c oughs> ท่านที่หลังที่พักอาให้ือจับเอาออเอาเพราะว่าท่านอไม่ได้ตัวถ้าจับถ้าจับปุ๊บสออันนี้ก็ไม่จะเอาแก้วไม่ได้ไปเอาไปเอาอันอันอันไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ประเกนใหม่อันนี้เอาอันนี้ประเคนไปแล้วประเนอันนี้แคลอรดนประเนได้แคลลอรดไม่ได้เอาออกเนาะต้องเป็นน้ำธรรมดาเอาต้องอาหารน้ำปราหน้าใหม่ให้ท่านต้องชุดใหม่เอาถุงมาใหม่เดี๋ยวประเคนนี้แกล้งนไม่้เอ้ใช่ใส่แก้วเข้าห้องน้ำเราเข้ามั่ง เราลองย่อฟังเทคนิคแบบนี้สิละนแต่ว่ารอให้เล่าสการเสร็จก่อนจะพยายามเดี๋ยวจะพยายามนะก็โทจะเป็นมีบรรยายแล้วจะมีประโยชน์ตรงนี้เทคนิคกี่ทอดหนูต้องหลายทอดนะโอ้นี่ต้องนี่อะไรอ่ะการประโยชน์จะมมหาวิมุติการฟังที่เพราะว่าต้องมาบ่อยถวายได้เมื่อกี้นี่เรื่องเรื่องอะไรนะาจะอยู่ที่ตงสะรพี่นัก ตกลงนันแม่พ่อกับแม่มา้ท่านไปส่งที่วัดไหนคะไม่ได้ที่วัดท่านตรงมันจะมีซอยที่โยมเขาถวายเคยเคยไปส่งหนึ่งท่านนะคะเห้แบบที่ท่านไปส่งคนายตงนี้นะับก็ให้ไปส่งก่อนแล้วค่อยมารับพวกเรางแม่นะคะตอนแรนัดห้ามงครึ่งวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นนัดสี่ักว่าเปลี่่ไเงี้ย ก็ก็ไม่ทราบว่าว่าท่านจะไปตอนไหนแต่ก็ก็เปิดเทปของวิทยุของสังกานี้ให้ท่านฟังพอดีว่นนั้นหลวพอสนองหลวงพ่อหลวงพ่ออย่างเทศตอนตีสามแล้วเช้าตอหลวงพ่อสมนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็เกือบน้าแล้วตอนเช้าช่นนี้ตกายมดก็จุดไปแล้วก็ทำให้่านไปลก็พอดีได้อันนี้จบตรงนี้กันแล้วแต่แต่ก็บอกนตลอดนะคะบอกว่าให้ให้นึกถึง หลวงพ่อโตให้นึกถึงว่าพี่พาหลานมาบวชอะไรเงี้ยให้นึกถึงแล้วแล้ ว, ลวก่อนก่อนท่านท่านนอนอยู่ท่านน่าจะไหว้อะไรเงี้ยก็ถามบอกแม่ว่อะไรมันก็บอกอ่ะไม่จะเข้ารายการก็เลยเ<า>ชิญย่าค่ะมีเพลงอยู่ค่ะทีนีนถ้ถ้าเกิดถ้าเกิดจะเล่าเอดีเทลในหนังสือเลื่อนี้นะคะที่ไหน ที่ก่อนตายแล้วมีตายแล้วก็หลังตายไปเนี่ยอยากฟังิดเดียวเลยนอยากฟังแต่ว่าแล้วอยากให้ญาติโยมได้ทราบด้วยเอ่อไอหลังตายเนี่ยรามาไม่ค่อยเน้นก็เราก็เน้น่พูดได้พูดได้พูดได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะพูดนิดเดียวแต่ว่าเทคนิคก่อนหน้านั้นทีงเราจะช่วยใครไครรู้ตัวจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วเราบบางทีเราเราก็จะได้ทำไงนะ เกิดพ่อแม่เราจะได้รับอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไม่ทราบว่าจะไปดีหรือไม่ดีก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเออไปดีหรือไม่ดีแล้วก็แต่ว่าก็ก็ฟังฟังครูบาอาจารย์เรื่อยนะท่านก็บอกว่าเออให้กราบขอพ่อมาพ่อแม่ที่เราได้ร่วงเกินแล้วก็ภาวนาตดวว่าเราจะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยฝาเขนจะถ่ายให้ไหมอ ในท่านรับกถาินเรียบร้อยวทับไปกแล้วอนี่ใส่ไปที่ถาดอะไม่กเราไปแล้วเนี่ยของแบบนขอใส่ไม่เห็นจริงเรื่องสนุกมากะลยทราบหมว่าท่านมีประสบการเฉียดตายด้วยไหมใช่ไหมไม่หรอกก็แค่ไม่ถึงกับเฉียดตายก็แค่ ก็เกิดเกิดจะตายแต่ก็ยังไกลนะยังไกลช่วงหกตุลาเียกิดอืม่่ตุลาไม่ก็ยังก็ยังก็ยังไกลน่าจะเคยได้ยินชื่อนะที่หกตุลาอะไรน่าจะเคยได้ยินชื่อเลยย้ออยู่เปล่อนเข้าอยู่เเข้าไปประจุมในโทรศัพท์บ่น่อยกันแต่ว่ารอชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยะตอนนั้นจบนานยัง บ้านอยู่แถวนั้นนะคะทำนัไปพี่ชายรู้แต่ว่ากลัวมากในนั้นโดยตัวนี้อย่พ่อแม่เพต้องรีบมารักที่โรงเรียนเราไม่กลับบ้านไมกลวเยกัมายเจ้าค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณพ่อทำงานอยู่เรือนจำเจ้าค่ะก็จะมีนักโทษการเมือเข้าเยอะมากจำอะไรบังขวางบังขวางบัขวางังขวางน้ได้เจอเยอะเลยคจ้ค่ะ เดี๋ยวมาเล่าแล้วเจอเจอครัอาจารย์อย่างเคสนี่เป็นน้าของโยม้ใค่ะอ่าตกไปเก็บจำปาเช้ามืดเก็บจำปาไปขายให้ลูกไปขายี่ตกองมาอาจารย์คือกิ่งที่แกยืนหักมันหักมันหักแกก็คว้าปรากฏว่าไอ้กิ่งที่คว้าก็หักแกก็เลยลงมาแล้วลงแล้วต้นจำปานี่สูงใหญ่มากต้องขึ้นบันไดไปถึงจะไปเก็บดอกได้แกเ่ทําเนี้ยมาตลอดพอตกลงมาเนี่ย มันก็เป็นพื้นไอทางถนนออกประตูบ้านเนี่ยเป็นปูนซีเมนมันก็ดังพักใหญ่มากเรากำลังถุงข้าวเช้าตกใจต้องไปดูนะคะปรากฏว่า เ, เลือดออกที่หูนะคะแล้วไม่รู้ตัวทันทีแล้วปรากฏว่า ล, ลิมเอตตรงนี้ค่ะเอซิคโครงเนี่ยหักหักหักไปแทงแทงปอร์ดคือลงข้างหมดเลยด้านนี้คุณแม่ก็เอาไอแป้ อ, อิวนี่ให้โดนแกเอามือปัดแกเอาข้างเนี่ยปัด ปัดก็ส่งเิลิลาชเพราะว่าบ้านอยู่สีแยกเิริราชเบลซอดบ้านช่งหล่อซึ่งไม่ไกลพอไปถึงเขาเขาก็ดูม่านตาแสดงพอมาม่านตามันขยายเนี่ยมันก็หมดหมดทางแล้วเพราะเลือดออกที่นี่พยายบาลเขาก็ยาติก็ไปส่งด้วยความตกอกตกใจเขาก็บอกว่ า, าว่าผู้ป่วยเนี่ ย, ย, ยสงสัยไม่รอดแต่อยากขอดวงตาเพราะดวงตาดีมากอขอดวงตาได้ไหมเขาจะขอเขา คนไข้ก็จะหมดลมอยู่แล้วล่ะนะคะไม่มีโอกาสแล้ว <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> มีอาการยังไงที่เขาพบมากเมียเขาเนี่ยไม่ให้เมีย เ, เขาร้องโหมร้องไห้เป็นลมพับแล้วพับอีกอยู่อย่างนั้นไม่ให้เขาขอดวงตาพอไม่ให้ก็หมดลมคืนนั้นเนี่ยเขาไปเข้าฝัานพระที่วัดละคังนะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดรมานสิริราชเอาดวงตาใส่มือไปให้พระรับ <c oughs> พระรูปนี้นะคะท่านมารับบาต ท, ที่บ้านน้ประจําแล้วท่านก็หยุดไปบ้างมาบ้าง ท่านไม่รู้เรื่องตายของนะเลยท่านก็มารับบาดเมื่อคืนฝันว่าเอมเอาชื่อชายเอ็มนะเอาดวงตาใส่มือไปให้บอกผมมาถวายให้ท่านจะแสดงว่าจิตเขาให้นะหลวงพ่อใช่ทำไมเขาละแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยหมดบมดไปแล้วนะคะก็ตอนหลังติดมันไอ้วิญญาณนั้นท่างลอยออกมายังรับรู้นี่จ้ะค่ะยังบอกยังอยากถามพ่ออยู่เนี่ยค่ะ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 เพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขาะกลัวว่าไปคาดหน้าไปตาบอดอะไรพวเนี่ยเขาคิดผิดมากมเลยเดี๋ยวถามอาจารย์ได้ไหมคะก็ถามได้โอ้จริงจอ่ะเคสถามแย่ๆเยอะมากเลยเพราะว่าเรื่องใกล้ตายแม่โหแล้วยี่เป็นพยาบาลนี่นะคะอาจารย์พอเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้เลยว่าโอเคคนี้กําลังจะไปแล้วเราย่าดเข้ามายืนอยู่ญาติก็จะร้องไห้ท่าเดี๋ยวเพรรู้ว่าจะไปเราเลยบอกว่าอย่าอย่าร้องไห้เลย จิตเขาลอยออกมาอย่างเงี้ยก็ไปฟังพระอาจารย์บุญลือท่านบอกลูกที่แม่สนิทสนมที่สุดเนี่ยให้คนนี้บอกทางนะไม่ต้องไปถูกนะเนื้อต้องเตือเลยให้แม่ประคองใจเองแล้วจิตที่เขาลอยออกเนี่ยให้ลูกคนนี้บอกทางแม่พูทโทพูทโทนะแม่นะพุทโทตลอดเวลาอเงี้ยนะหรือเปิด ไปเปิดส่วนมนให้ได้ยินก่อนที่จะไปให้ประคองไปเองเนี่ยเราก็ไปบอกเข้าทําอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีเทปไม่อะไรเดนก็ เ, เลยไปบอกเองเอาพุโทโธไว้นะคะอย่าไปสนใจเลยร่างนี้มันเจ็บมันปวดทิ้งเลยทิ้งเลยนะคะอย่าห่วงนะทิ้งนะแล้วไปกับไปกับพุโทโธเลยพุโทโธไปเรื่อยๆคะ่ะพุโทโธเรื่อยๆเราบอกอย่างนี้เลยนะนี่คือพยาบาลแล้วแต่งชุดพยาบาลด้วยที่บอกอพราเป็นเวนเป็นเวนตรวจการอยู่ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่า สิ่งที่รู้ว่ามึงค่อยไปแน่พยาบาลเนี่ยเขาเดินน้องพยาบาลเอายามาฉีดมันไหลออกนอกเส้นหมไม่รับแล้วอ่ะเราก็นเล็กก็ไปแน่นะเพื่อบอกเลยตรงนั้นจนกระทั่งแกไปหมดไปย้อนไปยังดีใจทุกวันนี้ยังเล็กว่าจะพึ่งใกล้เราตายอ่ะให้มันมีทางไปดีเถอะนะคะ เนี่ยเราระยะเวลาแต่เดินมนีมไม่ทราบมีทีมเผชิญคลามตายอย่างสงบเน<ไ>ี่ยเป็นเพ่อแมหมอพยาบาลที่เขาจัดโครงการนี้แล้วเป็นโครงการที่เขาจะคุยกับคนไข้ที่เขาเรียกว่าหมดหวังนะครับพ่อแล้วพวกเนี้ยเขาจะเริ่มทําใจเขาอยากคุยกับหมอพยาบาลเวลาที่มีปัญหาจะบอกพยาบาลตามเลยสิตามพยาบาลคนนี้หน่อยตามหมอคนนี้หน่อยสิเขามาคุยด้วยแล้วสบายใจจังสบายใจจัง เขาจะต้องเขาจะพยายามหาทีมให้ใหญ่ึ้นโยมก็ถูกตามไปด้วยคนโรงพยาบาลภูมิพลอายุทยาค่ะดังนี้มีทีมนี้ค่ะดีอมีทีมที่จะคอยอธิบายให้ญาติฟังว่าญาติเนี่ยจะต้องทําใจนะไม่ช่วยใช่มหมเอาไม่ช่วยแน่นอนเราไม่ช่วยพอคนไข้ใกล้ไปเนี่ยเราก็ไม่ปิดฉากแบบไม่ให้เขาไปเห็นกันเลยไม่ใช่ให้ญาติเข้าไปบอกทางนะถ้าพป็นางพูดแล้วก็ ถ้าร้องถ้าคุณร้องไห้โหเนี่ยเข้าไปกับร้องไห้ไปไม่ดีนะเราจะบอกอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความสนิทสนมกลมกลืนถ้าญาติไม่เคยปฏิบัติอดไม่ได้โยมเล็กอย่างร้องไห้ตอนแม่จะไปพอนึกได้แม่พุดโธพุดโท้แต่เสียงสั่นแล้วนะรู้แล้วแม่กำลังจะไปแกก็แอนกือสามเทแล้วก็หลับตาลงไปเลยที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ต้องขออนุญาตขอพาจ้างอยู่ได้แค่ตับเดียวเดี๋ยวต้องไปอ้าวค่ะเดี๋ยวขอเริ่มนะคะ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 ต้องการอะไรที่มากไปกว่าเทคโนโลยี Technology. ก็คือเรื่องการเยียวยาทางจิตใจตอนนี้เนี่ยก็มีพยาบาลหลายคนรวทั้งหมอด้วยเนี่ยสนใจการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแง่จิตใจซึ่งก็ทำให้โครงการเทตมาดูแลเนี่ยคือโครงกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมการอบรม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 เป็นเกสต์เฮาส์หรือว่าอาจจะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแรกที <ใน S 2> ่ประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าคะ่ะ ท, ที่มากครั้งแรกนี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของนิทรศการของกระทรวงสาธารณสุขนะเราจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลา ย, ลายด้านเจ้าค่ ะ, ะการการดลมเพื่อ ช่วยพูดปว่วยให้ตายสงบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงกา ร, <ค>รกิจกรรมนีใครเป็นคนเสนอกิจกรรมนี้เข้าไปในในนิทรรศการนั้นจ้าคะอ๋อตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเออมันมีสำนักยุทธศาสตร์และสำนักยุทธศาสตร์แผนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเขาทำ<อ>เรื่องนี้เขาสนใจนะคุณหมอกกม่าจึงเสถียรัพก้อนนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็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 จากไปย่งธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะอยู่ได้เรามองได้หลายแง่ในกรณีนี้คือการถอดเครื่องหายใจเราจะมองว่าเป็นการช่วยเขาได้กลับคืนสู่การจากไปอย่างธรรมชาติก็ได้นะอย่างถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยในช่วงรแรกก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้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 มีการพยายามยื้อชีวิตทนาไว้แต่ถ้าหลังก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่านส่สงกลับสนโมนะก็กระบวนการช่วยชีวิตด้วยเครื่องเทคโนโ ล, โลยีก็เป็นอันยุติท่านก็ค่อยจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปอย่างเป็นธรรมชาติตามที่ท่านต้องการตอนนี้คําถามก็คือว่าการที่เราเอาเอาท่อช่วยหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการ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 แ ล, แล้วเขาจะทำยังไงเขาควรจะจะให้คุณพ่อคุณแม่เขามีต่อไหมบอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยคุณโอกาสจะรอดเนี่ยก็โอเคแตถ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ปล่อยเขาธรรมชาติเหรอเพราะยังไงก็มันยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วไปอย่างที่โอ้โหมีสรรพัด ท, ที่จะเครื่องมือหรือมีการกระแทกลงไปที่หน้าอกเนี่ยมันไม่ได้ถนะ้าสติมันกระเจิงแล้วคือในความเป็นจริงนี่ก็มี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 คนไข้ยานี่พอเขารู้ว่ามันมีมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ตัวเองสามารถช่วยได้ก็ตกลงตัดสินใจว่าไม่ไม่ไปปัม๊มไม่ไปไม่ไปกระตุ้นในการยื้อชีวิตเอาไว้ right. <Okay. S 2> ขอเวลาอยู่กับพ่อได้คุยได้อยู่กับพ่อจนกัะทั่งนาทีสุดท้ายแล้วเขาก็มีความปลื้มปิติที่ว่าในช่วงที่สำคัญเขาได้อยู่กับพ่อแล้วก็ได้พูดถึงความในใจเขาได้บอกทางคนไข้ใช่ไหม เราต้อนนคิดว่านี่นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งญาตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้<ช>ส่วนใหญ่คิดว่าทางเดียวที่ช่วยในใคนได้คือว่าปั๊มเต็มที่<ช>นะกันเนี่ยแต่เขารู้ว่าเอ้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือให้เขาจับไปสงบค่ะเนี่ยแล้วก็หลายกรณีเนี่ยนะเราพบว่า้การที่พูดกับคนไข้เนี่ยนะมันถ้อยแม้จะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเนี่ย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 เป็นเพื่อนพระทลายฟังคราวน้ซึ่งก็ไปดูแลหลวพ่อคำเขียนซึ่งเป็ของอาจารย์ธรรมาที่หลงพิมานจุฬาเพื่อนห้องข้างเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยคนไข้เนี่ยทําท่าจะไม่ไหวยายก็เลยมาหาพระรูปนี้แม่พระอยู่ใกล้ใกล้ใช่บอกว่ามาช่วยรับสังฆทานหน่อยเพราะคนไข้เนี่ยไม่ไหวนะเป็นคนุณยายกระสับกระส่ายนะ แล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมก็มารับสังฆทานท่านก็เออก็มารับสังฆทานอ่ะนะแต่ว่าท่านคิดว่าในพอเช่นนี้เนี่ยมันทำได้มากกว่า น, นั้น mm. ท่านก็ได้ได้ได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยชอบทําบุญชอบใส่บาทแล้วชอบไปบัตไตรมิตร ไ ป, ไปทําบุญไปทําสมาธิที่วัดไทรมิตรไปกราบไหว้หลวงพ่อทองที่วัดไทรมิตรก่อนที่จะแนะนําใครเนี่ยต้องถามข้อมูลก่อนอาจากยากมีข้อมูลทั้งหมดนี่ได้มาจากญาติทั้งนท่านก็บอกว่าเอายอมว น, นี่คนพระนะเอายมนะมก็เตรียมตัวนะใส่บาทพระนะเอายมอาเอาดข้าวใส่ขันเอาเตรียมดอกไม้ ทูเทียนพร้อมหรือยังโอ้โหจินตนาการพุทธ์น้อมนํานี่ยนะพร้อมน้อมนํำระหว่างแล้วเนี่ยพอพอไปได้สักพักเนี่ยโยมนี่แกนิ่งเลยแล้วแกก็ผนนมือผนนมือคือพอคิดถึงพระนี่คารวาชาวบ้านแล้วก็ผนมมือนะะแล้วก็บอกเอ้โยมนะตอนนี้ก็เดินไปหน้าบ้านนะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาสิเห็นพระไหมไม่เห็นโยมบอกไม่เห็นมองทางซ้ายสิเห็นไหมเห็นแล้ว แน่มีการเห็นด้วยค่ะเพราะพที่บ้านเนี่ยโยมพระก็จะมาทางทางซ้ายใช่ไหมเคยชินจิตเนี่ยยอนน้อมกลับไปสู่ชีวิตที่เคยทําความดีที่เคยทําก็ใส่บาตรทีละลูกทีละลูกทีละลูกพระท่านก็พูดนํานี่ยเอายมใส่บาตนะโอ้โหอ๋อถวายดอกไม้ด้วยพระต้องเป็นนักจินตนาการด้วยนะเจ้าค่ะโยมแกแกจินตนาการไปเลยเจ้าค่ะแกก็หยุด ไม่ไม่ไม่ไม่กระสับกระสายเลยให้ออกจากกาย เ, ออเลยจิตน้องไปตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็บอกเอาเอาหลังจากที่ใส่บัดครบกล้าวรูแล้วก็บอกเอายมตอนนี้ไปนะวะัดไตมิตรไปไปนั่งวัดไตมิตรไปกราบพระหลวงพ่อวัดไตมิตรแล้วก็สงบเลยนะนะคือท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่ า, าท่านได้นำเอาความประทับใจหรือสิ่งดีๆที่โยมเคยทำเนี่ยตอกเข้ามา เพื่อเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดความสงบความถืรนทุรายเนี่ยหมดไปเลยนะแล้วก็และในไม่กี่ชั่วโมงแล้นั้นโยมก็ไปอย่างสงบบุญบุญสุดท้ายจริงๆเลยที่เขาได้เจอนะคะทําจิตวิญญาณแล้วแต่กุศลใครกุศลมานั้นเนี่ยถ้าสร้างสร้างมาแล้วสุดท้ายจะไปเจอใครไปเจอวิบากไปเจอคนที่ทําให้เราจิตตก หรือไปเจอคนที่จะยกเราขึ้นไปสู่สุคติแต่ก็ต้องมีมีบุญที่เคยทําไว้เป็นพื้นเป็นทุนไว้ก่อนอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมนาให้ประสบสุขในยามสิ้นชีวิตคือในยามสิ้นชีวิตเนี่ยคุณมีโอกาสประสบสุขได้โดยเพราะถ้าคุณมีบุญที่ทําไว้ก่อนแล้ว ค, ความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวความตายอาจจะหมายถึงภาวะที่มีความสงบอย่างยิ่งก็ได้เดือดเพราะถ้าใจรู้จักวางให้เป็น นะในกรณีนี้เนี่ยต้องมีคนช่วยซึ่งคนช่วยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นพระหรือว่าอาจจะเป็นญาติดยเพราะในกรณีที่บางคนเนี่ยเามีเรื่องค้างคาใจเนี่ยเราจะช่วยเขาได้มา ก, ากนะเพราะว่าถ้าเขามีเรื่องค้างคาใจเนี่ยไปไม่สงบนะยังมีมีโยงคนหนึ่งเนี่ยแกแกแกมลิงเป็นผู้หญิงนะ เกเป็นมะเร็งตายตอนสามทุ่มเช้าวสว่างตายยังไม่ปิดเลยฮะ พ, าพยาบาลพยายามพยายามปิดตาตาก็เปิดขนาดตายไปแล้ ว, ต, ลวตัวพี่สาวเนี่ยก็เฉลียวใจก็นึกขึ้นได้ว่าสงสัยแกคงยังห่วงลูกเพราะว่าตอนที่ป่วยหนักเนี่ยก็พูดถึงลูกลูกมีเสือสี่คนสองคนติดยาเนี่ยนค<ม>สุทองเนี่ยอายุเกา้าขวบ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 สามีก็ไปเรียกโทรศัพท์เรียกลูกเล็กหลานมาลูกก็มากันเกือบหมดขาดคนหนึ่งใช่แกก็เฝ้าคอยอนะคนเดียวนะแล้วก็เสร็จแล้วตอนค่ำๆเนี่ยนะก็มานเกือบครบขาดอีกคนเดียวนี่นะแกก็ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนี้นะสามีก็บอกว่า ก็ได้รับการแนะนำจากพระเนี่ยบอกให้ปล่อยวางก็บอกว่าอย่าไปต้องหวงลูกนะลูกเขาดีแล้วไปดีแล้วนะขอให้เราปล่อยวางลูกไปเธอยังไงลูกก็มาแน่นะแกก็แกก็ปล่อยวางแกก็ล้ลงไปนอนอืมทักพักก็ไปถ้ามีคนเตือนสงเออเนี่ยคือคือเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยช่วยชี้นะเตือนให้เขาออปลดปล่อยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สติตรงนั้นที่เขาคิดจะอยากจะ ปล่อยทางตรงนั้นเนีย่ยมันก็ ย, ยังยืดที่ทําให้เขาไม่ตายแล้วบางทียืดยืดนะบางทีทําให้บางคนเนี่ยไม่ตายง่ายๆอย่างที่อย่างที่มีดีเจคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นดีเจชื่อดังมาแแกก็ขยันนะเป็นเป็นดีเจยอดนิยมทํามาหากินขยันขันแข็ ง, ขงสร้างบ้านไปเลือนหอเตียงแต่งงานเพราะว่าแกเป็นมะเร็งคอาการก็หนักสุดลงไปเรื่อยๆเนาะ บอกว่าร่างกายอวัยวะทุกส่วนเนี่ยหมดไปเลยตายหมดแต่หัวใจยังเต้นหมอแปลกใจมากบอกว่าข้างๆเนี่ยแฟนที่ยังไม่ทันจะได้แต่งงานก็ร้องห่มร้องไห้โอ้อยังร้องอยู่ข้างๆบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าไปแต่พอรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วมันทรมานมันหลายวันแล้วนี่ใช่ไ่มเขาก็บอกงั้นก็ไปเถอะมีไห้เธอทรมานแล้ว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 การเยียวยาทั้งสองฝ่ายนะบางทีเนี่ยนะบางทีถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ได้พูดความในใจออกมาเนี่ยไอ้การจาไปอย่างสงบก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกข้างขาดใจในฝ่ายผู้ที่เจ็บป่วยใช่ค่ะหรือเป็นความข้างจจข้างขาดใจในฝ่ายที่เป็นญาติสําคัญมากเพราะฉะนื่นงในญาติเนี่ยอาตมาถึงบอกว่า เขามีความสำคัญมากนะบางทีเราไปพึ่งหมอไปพึ่งพยาบาลแต่เราลืมไปว่าตัวญาติเนี่ยนะเขาสามารถจะทำอะไรสิ่งดีๆให้กับคนไข้ได้อย่างน้อยนะการได้ไม่แมองพูดเรื่องการบอกทางการได้ขอความมาการได้ข อ, อสีการได้พวกความในใจแลค่ะแล้วบางทีนะคนไข้เนี่ยเ ข, เขาเารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ถูกอย่างเช่นมีมีมีคนมีแม่เนี่ยป่วยนะเียาอาการก็หนัก เพีาบานนี่ก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวแล้วก็มาแนะนำลูกว่าให้ไปขอขมาแม่ซะลูกเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงคือคนใกล้ชิดนี่บางทีขอขมาไม่เป็นนะขอโทษก็ไม่กล้าเขินนะเขินไม่านบอกรักยังไม่กล้าบอกเลยว่ารักแม่รักแม่ไม่กล้านะเขินนะแล้วก็ นเนี่ยพยาบาลก็แนะนําลูกก็ทําตามแต่แม่ก็ยังสีหน้ายังมีแววมีแววหม่นหมองบางอย่างพยาบาลสังเกตก็เลยไปถามลูกว่าได้ได้พูดความในใจหมดหรือยังลูกบอกอ๋อพยาบาลรู้ได้ยังไงมีเรื่องหนึงไม่ได้พูดอก็คือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิง ยังไม่ได้บอกแม่เลยเก็บเก็บปิดไว้ก่อนเก็บไว้เก็บเป็นความลับไว้อืแกอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญเจ้าค่ะใช่ไหมแต่แม่เนี่ยเขาเซนได้แล้วแม่รู้สึกว่าทําไมจนถึงป่านนี้ยังไม่บอกความในใจใช่ไหมแม่ก็รู้สึกว่าทําไมลูกเป็นอย่างนั้นน้อยใจใช่ไหมสุดท้ายก็ไปบอกเปิดเผยว่าเนี่ยได้ไปอยู่กินู้หญิงแล้วนะไม่ได้บอกแม่ขอโทษด้วยแม่ก็รู้สึกดีขึ้นเอะ บางที<ม>คนเราก็มีแค่เนี้<ม>ติกเรื่องเรื่องแค่นี้น <Okay. S 1> ซึ่งคนที่เป็นคนที่เป็นคนไข้เนี่ยต่อคนที่เป็นญาติเนี่ย<ม>ถ้ า, าว่าจับตรงนี้ได้นเนี่ยพยายามเปิดเปื้องสินค้างคาใจที่มีต่อกันมันก็จะสบายใจบางคนเนี่ยเสียใจญาติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาวุธญาติเสียใจที่ไม่ได้พูดความในใจบางอย่างเช่นภรรยา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 รู้สึกเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้พูดตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วโรงพยาบาลบอกว่ายังไม่สายยังไม่สายขอให้คุณพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดเหมือนกับว่าเขายังปกติดีอยู่ต้องการฟังอยู่เภรรยาก็พูดว่าเนี่ยว่าเขาเขาว่าฉันเนี่ยมีความสุขเป็นคนโชคดีมากที่ได้อยู่กับเธอใช่ไหมโอ้มีความสุขมากมีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าฉันรักเธอแค่นี้ฉันคงอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเธอนะ แต่ว่าฉันก็มหมายากเธอได้ทุกมากไปกว่านี้แล้วนะถ้าว่าเธอจะไปก็ขอให้ไปอย่างสงบไม่ต้องห่วงฉันฉันก็คงจะอยู่ได้ค่ะนะพอพูดอย่างนี้เสร็จปรา ก, กว่าวคนไข้าหายใจยาวแล้วก็ไปเลยเจ้าค่ะบางทีเขารอแค่นี้นะค่ะพระอาจารย์ครงั้นงั้นงั้นขอย้อนนิดนึงอะคะ่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะมีบผู้ใกล้เสียชีวิตทั้งที่โรงพยาบาลและบางทีก็ที่บ้านแล้วถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยคนใกล้เสียชีวิตพร้อมๆกันหลายๆที่เนี่ย บุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญพระอาจารย์หาบุคลากรหรือว่าจัดสรรค์ที่จะไปนําธรรมะไปจัดสรร์ตามสถานที่ต่างๆยังไงคะการคัดเลือกบุคลากรอ๋อคือตะมาไม่ได้ไม่ไทําเองนะเพียงแต่ว่าจัดอบรมใช่ไหมแล้วก็ให้แพทย์พยาบาลหรือว่าคนที่มาร่วงอบรมเนี่ยเขาไปไปไปทําของเขาเองกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาทําตรงนี้อของของแต่ละชมรมของแต่ละ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 ภาวะจิตของคนใกล้ตายนะเราพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยใกล้ตายแล้วก็มีการทําซ้อมมีการก็เรีอกใช้บทบาทสมมุติบทบาทสมมติคือก็สมมติว่าคุณเป็นผู้ป่วยใกล้ตายนะฉันเป็นพยาบาลนะจะพูดยังไงจะพูดยังไงฉันเป็นญาติจะพูดยังไงแล้วก็มาสุบกันว่าพูดอย่างนี้ได้ผลไหม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 ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆเช่นที่ตะคองปฐมเอาพาทั้งกลุ่มนี้ไปไปเจอคนไข้จริงด้วยใช่นะสนามภาคสนามเลแต่เรามีอย่างอื่นด้วยนะเช่นมีการทําสมาธิด้วยกันเรามีมีการมีการเล่าถึงความในใจบทเปรื่องความในใจเพราะเราพบว่าหลายคนเนี่ยที่เขาที่เขาอบรมเนี่ยหลายคนก็มีเรื่องค้างขาดใจโอ้โหนี่ได้ได้กับตัวคนอบรมด้วยนะคะและสิ่งที่ค้างขาดใจเนี่ยมักจะหนีไม่พ้น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 แล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งข้างกระจายเนี่ยมันสาคัญเมื่อเขาจะไปแนะนำใครเขาก็จะแนะนําได้ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเป็นการอบรมเชิญความตายางสงบแล้วเขาก็ไปทำไปทํางานเอาประสบการณ์ที่คขาได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันคนที่มานี่ไม่ได้มี แ, แพทย์โรงพยาบาลเป็นคนทั่วไปซึ่งเขามีพ่อมีแม่มีญาติที่เขาป่วยอยู่คนคนข้างนอกก็เข้ามาอบรมมาได้อ่าแล้วแล้ว เมื่อไหร่ที่จะมีการเปิดอบรมนะคะระยะเวลาก็มีมีทุกเดือนก็เปิดเรามีเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์อะไรเจ้าค่ะเอ่อ w b u n e t b u n e du. d. n. e. t. info. นะคะแล้วก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอบรมค่ะหรือโทรไปที่เครือข่ายพุทธิกาได้ไหมเจ้าค่ะตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางเบอร์เบอร์โทรศัพท์เจ้าค่ะเบอร์โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมบอกจะใช่ะ โทรศัพท์โทรไปที่ เ, เสมสิกขาไลซึ่งเป็นผู้จัดก็ได้นะฮะเ็เป็นผู้จัดร่วมกับเครือข่ายชาวพูดก็มีคือศูนย์สองสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เจ็ดสามแปดห้าเจ็ดสามแปดห้าเคะสามหนึ่งสี่เจ็ดสามแปดห้านะคะศูนย์สองนะค ะ, ะค่ะเป็นเสมสิกขาไลนะคะ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 แนวคิดเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตายก่อนตายเป็นทีว่าตายจากกิเลสหรือตายจากความยึดถือในตัวตนก่อนที่จะตายจริงๆในทางร่างกายนะผู้ที่ตายจากตายจากตัวตนตายจากกิเลสนะซึ่งอันนี้เราก็ไอ้คําเนี่ยมันเป็นคําของท่านอาจารพุทธทาสนะที่ท่านได้ได้พูดเอาไว้เราก็ในการรบรมนี้เราก็ได้พูดด้วยว่าคนเราต้องควรฝึกการตายก่อนตาย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 ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุช่วงไหน ถ, ถ้าถ้าฝึกได้อย่างนี้เนี่ยสติมันมามันมันจะคุมสถานการณ์ตรงนั้น ใ, ในการที่จะคิดต่างได้เราจะรู้เลย ว, ว่าจะน้อมจิตไปที่ตรงไหนในขณะนั้ น, นซึ่งถ้าถ้าใช้วิธีอย่างท่าจะาพุธทานเนี่ยก็จะนึกไปถึงกระทั่งว่าไม่นึกถึงตัวตนปล่อยวางตัวตนหมดสิน้นนะไม่ต้องเป็นนึกถึง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 เรื่องควาไม่ประมาทเพราะเป็นมงคลเพราะเป็นเรื่องอภัมมาท ธ, ธรรมซึ่งถือว่าผู้เจ้าถือว่าเป็นธรรมที่ครอบคลุ ม, ม, รมธรรมะทั้งปวงเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยครอบคลุมรอยเท้าสัตว์ป่าทั้งหลายอภัมมาทธรรมนี่ก็เป็นธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทุกข้อขแล้วก็มรรณะสติคือการเจริญอภัมมาท ธ, ธรรมคราว น, นี้เนี่ยนั้นนีค่คือแบบแบบคนทั่ ว, วไปใช่ไหมฮะคราวนี้สาคนที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วเนี่ย เราก็ให้นึกเขอตอบไปว่าถ้าเกิดว่าความตายมาแบบกระทำหันเนี่ยอุบ<ม>ัต<ม>ิเหตุรถชนเครื่องบินตกใช่ไหมหรือว่าเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั้งเกิดเหตุกระทำหันอย่างซึนามิเนี่ยเราจะนึกถึงอะไร<ม>ในช่วงเวลาแค่หนึ่งหรือสองสามวินาทีที่ยังรู้ตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ฝึกไปถึงขั้นว่าไม่ใช่เพียงแค่นึกในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่เรานึกใน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 และการพิจารณามรสมาลาสติอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งว่าเรียกว่าถ้าสามารถตายจากความยึดถือในตัวตนไดน้มันก็เรียกว่าเหนือความตายอย่างสิ้นเชิงค่ะพระอาจารย์ครับคนที่เขาใกล้จะหมดลมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ออยตอนะที่เขาดับก่อนนี่คือส่วนไหนคะเอ่อถ้าพูดแบบที่เบนเขาที่ไบเนี้ว่ามันจะเป็นไปตามลําดับของธาตุคือธาตุดิน ถ้าดินเริ่มไปก่อนก็คือหมดแรงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดิน<ม>เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ยืดไม่ได้ต้องนอนร่างกายผายพร้อมนะธา<ม>น้ำน้ำเริ่มแปรปวนน้ํามูกน้ําตาเยอะคอแห้ง<ม>บางทีอุจจาะปัสสวะมไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะ<ม>เพราะว่ากร้มเนหูร่ดมันอ่อนซึ่งมันเกี่ยวธาตุดินดินแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟไฟก็เริ่มเย็นไฟธาตุเริ่มแตกดับคือว่า เริ่มเย็นบางทีก็ร้อนมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่ที่นิยมเจอคือตัวร้อนจีอะไรนะร้อนแบบโอ้โหมันคนไม่ใส่แล้วก็ค่อยเริ่มเย็นเย็นขึ้นมาจากเท้าตงจากเท้าขึ้นมาจากเท้าขึ้นมาจากหัวลงมาก็มีอแล้วบางบางบางทีหมดลมไปแล้วตรงกายนี่ยังอุ่มอยู่เลยตรงส่วนนี้ยังอุ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอันนั้นก็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 ตอนแรกก็จะเริ่มการเห็นก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตาฝ้าฟางต่อมาการได้ยิน <c oughs> ก็จะไม่ค่อยได้ยินแล้วต่อมาก็จะเป็นการได้กลิ่นก็จะไม่ค่อยได้กลิ่น <c oughs> แต่ยังสัมผัสรู้ตัวใครมาสัมผัสก็รู้ตัว <c oughs> ยังรู้สึกได้แต่ถึงสุดท้ายนี่แม้กระทั่งสัมผัสก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นการอธิบายแบบที่เบสซึ่งเขาตะมาคิดว่ามันก็ใช้ได้ทั่วทวไปกับคนป่วยส่วนใหญ่ แต่จริงๆมันก็จะไม่ไม่รู้ <c oughs> ได้ประสบการณ์มาคราวนี้เนี่ยเาขาบอกว่าอันนี้เป็นแค่การแม้หมดลมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแค่การตายในทางกายแต่ว่าจิตยังต้องมีการผ่านกระบวนการแตกดับเมื่อผ่านกระบวนการแตกแล้วอย่างจนจบแล้วถึงจะเตายอย่าตายจิงเชิงเมือหมดลมยังไม่ถืกว่าตายนะใช่เพราะบางคนมีฟื้นกลับขึ้นมาอีกอะเจ้าค่ะ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 ทำให้เขากลับมาไม่ได้แล้วเพอดนยาเข้าไปแล้วฮะยากันกันสศกเน่าอย่างไม่มีโอกาสกลับมานะเขาค่อยอัดจำรีแล้วหลวงพ่อจมูกทุกทํารเขาติดเขาอัดจำรีเป็นต้อนๆเลยที่พื้นก่อนที่จะฉีดยาค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆพอมาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าผู้นักปฏิบัติที่ไปเอง ไปอย่างสงบหลับตายอย่างนี้ไม่ชีรูปหนึ่งอะ น, นะคะ mm hmm. ที่ละไปไม่นานเนี่ยนะหลับไปเนี่ยหลวพ่อไม่ให้ฉีดยาไม่ทําอะไรเลย mm hmm. เพียงแต่เ อ, อเช็ดเนื้อเท็ดตัวอาบน้ำแล้วก็แกก็หลับเหมือนคนหลับสบายแล้วจากนั้นก็สวดไปเจ็ดวันไว้ในโรงเย็นพอวันที่เอาออกมาเผาเขาก็ยกศพออกมาเพื่อที่จะวางผ้าไตรทอดบนบนศพเลยนะคะ ต้งยี่สิบกระจายสามสิบกระายปรากฏว่าหน้าเธอเป็นสีชมพูหลวงพ่อหน้าเป็นสีชมพูสวยกับอวันทิพละอีกถ้าบางครั้งไม่ไม่เอาเข้าห้องเย็นนี่ไม่แน่นะแต่ว่าก็ตอนไปรดน้ำเนี่ยพ่อไปขอจับที่ตัวหน้าผากก็ยังอุ่นเลยขนาดแกละไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะลดลดน้ำาอบสีโมงเย็นแล้วอะค่ะ น้ำผักยังอุ่นอยู่เลยโยกับนี่น้าผักไม่ซีกันน้ำผักเราก็อุ่นไม่ต่างกันเท่าไหร่ตอนหมดลงไปตัวเขียวเลยแต่วันที่เอามาเผาเนี่ยดูสวยมากมีอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้พระาแล้วไม่มีกลิ่นเลยหลวงพ่อพระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบอีกอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้นั้นปฏิบัติได้สูงกว่าเราไม่ถึงเป็นอยาญาอาจจะไม่ใช่อาญะแต่ว่าปฏิบัตินธรรมะเนี่ย เขามากกว่าเราแล้วตรงนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าไปในลักษณะยังไงอยู่เฉยๆหรือว่ายังไงกับกับช่วงที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่ที่จะมีใกล้ๆจะหมดเนช่วงนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเจ้าคะก็ควรอยู่ในความสงบนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมน้อมจิตใหสงบด้วยเพราะว่าให้ถือว่า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 ให้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าเราพร้อมมีความพร้อมหรื อ, อยังในการที่จะน้อมรับความตายนะแล้วขณะเดียวกันการที่เราเทําเช่นนั้นเนี่ยก็ทําให้ใจสงบและความสงบของเราเนี่ยกลุ่ก็จะแผ่ออกไปสร้างบรรยากาศแห่งความสงบให้แก่ผู้อื่นซึ่งอาจจะยังไม่ยังทำใจไม่ดีพอเขาก็จะพอจะรับความสงบด้วยอันนี้สําหรับ ท่านที่เป็นครูบาจารย์เนี่ยท่านก็คงไม่ต้องการต้องการชี้แนะอะไรจากเราค่ะแต่เราควรจะน้อมรับหรือเปิดใจรับเอาธรรมะจากท่านในฐานะที่เป็นสื่อแสดงธรรมขั้นสูงสุดนันก็คือความไม่เที่ยงชีวิตที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนค่ะคือเวลาที่จะเข้าไปใกล้เนี่ยต่อให้ท่านทำสมาธิหรื อ, อยังไงคือท่านท่านหลับตายยังไงเนี่ยต้องมีการบอกกล่าว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 มันสะ ด, ดุงดด้งอ่ะนึกนกถึงเรารเองอ่ะต้อง ค, อคอ่อยๆสําหรับตัวตัวโยมเองก็คิดว่าตรงนี้ก็สําคัญในการที่จะเข้าไปเข้าหาหรืออะไรอย่าไปคิดว่าท่านหลับอยู่หรือ อ, อะไรหรือแม้แต่คนปกติก็เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะทำไมบอกเขาบางครั้งเขากำลั ง, ดดงกําลังทำทำอยูก่กำลังกำลังกำหนดพุโทโธบางคนบอกเขากําลังกําหนดอยู่แล้วพุโทโธอยู่อะ่ะไม่ต้องมามาบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นความสังเกตของ ของคนที่จะเข้าไปด้วยอะเจ้าค่ะแล้วแล้วคือคนที่จะต้องทุรนทุรายมั้งคะทช่นเราจะต้องไปบอกทางแต่คนที่สงบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกหรือหรื อ, อยังไงคะก็ก็ช่วยก็ดีอันนี้หมายถึงคนทั่วไปน ะ, ะ, ะาเราช่วยเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้กับเขาหรือว่าช่วยเตือนเตือนสติให้ให้กับเขานะก็จะดีแลวที่จริงมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย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 คือในกลุ่มพวกนั้นต้องให้ความรักและก็ความเห็นอกเห็นใจตรงนีส้สำคัญสำหรับคนใกล้ตายใช่เพราะว่าคนป่วยนี่นะที่จริงไม่ใช่เฉพาะคนใกล้ตายเนี่ยคนป่วยป่วยหนักเขาเขาไม่ได้แค่ป่วยกายเขาป่วยใจเจ้าค่ะบางคนบางคนไม่ยอมรับ่ะมันยังยอมรับความตายก็ไม่ได้ค่ะอันนี้แหละที่เราเรียกวความความป่วยกายอ่ะป่วยใจใ ที่จริงมันเป็นกับทุกคนนะเราป่วยเนี่ยปวยหัวตัวรอนเป็นไข้เป็นหวัดนะเราไม่ได้ป่วยกายเดี๋ยวเราป่วยใจป่วยใจหมายถึงว่าอะไรหมายถึงความกังวลความเครียดความกลัวความหงุดหงิดรวมทั้งความโกรธแล้วคนที่ป่วยหนักหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีอาการตรงนี้มากบางทีเปนอาการมันมากกว่าเรื่องของของกายสิเราคงได้ยินนะคนที่ หมอบอกว่าป่วยหนักเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะคุณจะอยู่ได้ไม่เกินสมเดือนก็จริงๆค่ะปรากว่าสิบสองวันก็ตายแล้วแป๊เดียวเลยค่ะจากกําลังดีๆีสุดเลยใช่ไหมไอ้ที่ตายเนี่ยไอ้ที่ทําให้ตายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรคมะเร็งนะเพราะลรมะเร็งนี่ยสามเดือนแต่ว่าป่วยใจใจไงใจเสียเนี่ยพอพระอาจารย์ว่ามันมีบอกว่าจะให้บอกไหมว่าคนนี้เป็นอะไร จะบอกไหม<อ>ว่า<จ>คนนี้เป็นมะเร็งไหมะจะบอกเขาตอนไหนดีน ะ, ะคะอะอันนี้ก่อนทีู่ถึงตอนนั้นเนี่ยพูดเรื่องอความรักก่อนเอาความรักเจ้าคะ่ะเพราะว่าคราวนี้คนเราป่วยป่วยใจเนี่นะความกลัวกลัวว่าจะตายคนเดียวตายโดยที่ไม่มีใครอยู่กลัวว่าจะเป็นภาระให้กับลูกหลานกลัวว่าเขาต้องมามา ทำโดยไม่มีความเต็มใจอันนี้เนี่ยความกลัวตรงนี้เนี่ยมันจะมาลายหายไปถ้าเขามั่นใจว่าเราดูแลเขาด้วยความรักแล้วเราไม่คิดว่าเขาคือภาระของเราเขาสัมผัสได้ใช่และเราเนี่ยนะพร้อมที่อยู่ขเขาจนถึงนาทีสุดท้ายทุกคนหวังอย่างนั้นถ้าผู้ป่วยเนี่ยเขามีความมั่นใจจากคนไข้ เขาจะเบาเขาจะสบายมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันไม่มียาอะไรที่ช่วยเขาได้แต่เป็นสิ่งเดียวที่ญานเนี่ยสามารถจะทำได้ดีดีกว่าหมอและพยาบาลคือการให้ความรักให้ความมั่นใจแก่คนไข้ว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างถึงนาทีสุดท้ายและเราจะเป็นเพื่ อ, ขอเขาโดยที่เราไม่สวดเป็นภาระแก่เขาจริงเรานี่ไม่จำเป็นต้องพูดให้ไพเราะแต่ทาด้วยการกระทา ด้วยแวาลตาด้วยการสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็ด้วยความอดทนต่ออารมณ์ของเขาอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะใช่เพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาจะกรายเกลียวเขาจะหงุดงิดไม่ต้องมาดูแลใช่แต่จริงๆอ่ะอยากให้ไปอยู่ใกล้ๆแล้วเขาจะกรายเกลียวทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมไม่เป็นคนอื่นนะความรู้สึกว่าเขาเป็นเรื่องความเป็นธรรมเขาทําความดีมาตลอดแต่ทําไมต้องเป็นชั้นนี่คือปัญหาของคนไข้ซึ่งตรงนี้เนี่ย เขาจะแสดงออกมาด้วยความโกรธความหุดหงิดแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีความรักมีความอดทนไม่ว่าเขาจะระบายออกมายัางไงก็นิ่งอดสงบได้ตรงที่จะช่วยช่วยให้คนไข้เนี่ยเขาเริ่มสงบลงความสงบของเราเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเนี่ยเห็นถึง <an> ตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยกำลังอาละวาดและเมื่อเขาเห็นตัวเองเขาก็จะสงบลงได้ความสงบเนี่ยมันเรียกว่าสงบสยบ ความคลื่อนไหวหรือสงบเสียบความโกรธนี่สำคัญเนี่ยนี่เพราะนั่นเนี่ยแล้วเมื่อเขาความโกรธเขาบรนเทาเนี่ยจิตใจก็จะดีขึ้นเขาจะเจ็บปวดน้อยลงเพราะถ้าเขาโกรธเนี่ยเขาจะปวดน่นปวดนี่สารพัดปวดหัวร่างกายมีอาการทุรนทุรายแต่พอเรามีความรักให้กแกเขาเนี่ยเขาจะเย็นลงสงบลงนี่ข้อที่หนึ่งซึ่งแสดงด้วยการสัมผัสด้วยแววตาบางคนบอกพูดเพราะเพราะแต่มือนี่แบบไม่จับแบบ แ ล, แล้วที่สำคัญคือบางคนเนี่ยตัวเขาเนี่ย เ, เนื้อตัวไม่น่าจับค่ะ <c oughs> เนื้อตัวเขาไม่น่าจับอ่ะเราญาติไปแสดงความรังเกียจ อ, อย่างอย่างให้เห็นเลยโลกเอสอคือถ้าถ้าทุกคนแบบอยากจะช่วยอ่ะแต่แบบดูแบบไกลๆอ่ะไม่อยากจะเข้าไปแตะไปต้องเขาเขาก็รู้สึกใช่ค <employees> ่ะแล้วความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รังเกียจนี่จะทาให้เขาตายเร็ว มากกว่ามากกว่าโรคหรือเนื้อร้ายคือ <Okay. S 1> มะเร็งครนี้การให้ความรักสําคัญมากนะเราจากความรักการให้ความรักอีกอย่างนึงที่ช่ว ย, วยการช่วยทําให้เขาเนี่ยยอมรับความจริงว่าเขากําลังเป็นโรคร้ายหรือว่าเขากําลังมีเวลายอยู่ไม่นาน <Okay. S 1> มันสาคัญยังไงมันสาคัญก็เพราะว่าเมื่อถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องตายเนี่ยกยย็มีโอกาสที่เขาจะได้สังเสียมีโอกาสที่เขาจะได้สะสางความในใจ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 อยู่ดีไปพูดว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะ oh. ป้าอยู่ได้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะ oh. Oh. นี่คือการฆ่าเขาทางอ้อม oh. แล้วก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าหมอหรือพยาบาลนะส่วนใหญ่ไม่จะเกิดขึ้นกับหมอไม่มีศิละปะ oh. ใช่เจ้าค่ะวิธีการเนี่ยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องค่อยๆหยอดค่อยๆพูดเดี๋ยวแล้วก็ประเมินเขาไปในตัวเช่นว่าป้าโรคที่ป้าเป็นนี่มนรักษายากนะ ตอนนี้ยังไม่มียารักษาเอาเริ่มเริ่มดูแล้วก็กดูแลเขากินยัง ไ, ไงเขารูกสี่ยังไงใช่ไหมใช่มค่ยค่อยหย่อนเขาให้เขาได้เตรียมใจแล้วก็เป็นโอกาสประเมินว่าเขารับความจริงได้แค่ไหนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไอ้ไอโรคที่รักษานี่มันรักษาได้ยากนะแต่ว่าเราก็จะพยายามเต็มที่ใช่ไห ม, ไหมถ้าเขาเขาทําใจได้บ้างแล้วเนี่ยก็จะพูดต่อไปว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันอาจจะตอนนี้ไม่มียารักษาเลยใช่ไหมแต่ว่า ทางหมอและพยาบาลก็จะพยายามช่วยดูแลป้าอย่างเต็มที่นะแล้วเขาเริ่มเริ่มยอมรัได้มากขึ้นก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นมะเร็งนะแต่ก็ต้องพูดให้เขามั่นใจว่าหมอพยาบาลและคนไข้ก็จะช่วยเขาเต็มที่ yeah, <okay. S 1> จะช่วยให้แม่เข า, เาให้เขาได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตได้มากที่สุดนะคือเนี่ยมันก็ค่อยพูด รารค่อยๆพูในี่ไม่ใช่วันที่หนึ่งพูดอันนี้วันที่สองไม่ใช่นะคือต้องดูดูว่าเขารับได้แค่ไหนเราหยอดคําพูดหยอดเอายังรับไม่ได้อีกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาพูดใหม่ไปเอาเอาลองแย็บลงไปซ้ำซ้ำแล้วดูดูเขาว่าไปได้แค่ไหนหรือก็อาจจะถามเขาแม่เตียงข้างนั้นเตียงเตียงนวนเขานะเขาก็เป็นมะเร็งนะใ่ค่ะแล้วประเมินดูว่า แล้วแล้วเราตัวคนไข้ของเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคือเนี้ยคือบางทีการการถามหรือถามให้ว่าเนี่ยเตรียมใจไว้บ้างไหมหรือไม่ลองดูซิว่าทัศนคติต่อความตายของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงอืเอะเขายังรับได้หรือเปล่ายอมรับมีความคิดอย่างนี้อยู่ในหัวเขาหรือเปล่าบางคนบอกก็ไม่มีความคิดนี้อยู่เลยไม่ต้องมาพูดตอนนี้อืมแต่ว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยออถึงเขาไม่ถึงถ้าเกิดว่าเขามีเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายนะถึงหมอพยาบาลไม่บอกเขาบันทีเขารู้ได้ความเจ็บปวดมันมีเขารู้จากอาการปฏิกิริยาของญาติมิตของพยาบาลรอบขาเริ่มเลืเอดหมอใจผิดปกติหรือน้ําตาเริ่มแดงตาเริ่มแดงแดงออหมอเนี่ย เ, ออเริ่มมาแล้วมาประเดี๋ยวประดาวก็ไป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 เขตื่นมาว่าสักสิบสองชั่วโมงเขาสังเกตรปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของญาติมิตรของคนไข้ของพยาบาลแล้วเขาอาจจะคิดว่าญาติญาติคงไม่พร้อมที่จะคงยังรับเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเขาจะตายอืเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พูดอาจจะไม่ข้อา จ, จะยอมรับได้แต่ขเขาไม่กล้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยว่าถ้าฉันตายจะทํำยังไงกันดีสั่งเสียยังไง ม, มรดกยังไงไม่กล้าพูดเพราะเห็น ญาติๆเนี่ยท <Just heit emen> ําท่าจะไม่อยากพูดเรื่องนี้คือผู้ไนต่างคนต่างคิดแทนกันญาติก็คิดว่าคนไข้เนี่ยคงอยอมรับความจริงไม่ได้ส่วนคนไข้ก็บอกว่าญาตินี่คงจะทําใจไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ไม่พูดเรื่องนี้ก็เรียกว่าตายไปบางทีตายไปโดยที่ว่ามีเรื่องอยากพูดแต่ไม่พูดเนี่ยตรมาคิดว่าเรื่องการทําให้เขาเยอะรับความจริงสําคัญแต่ว่าอันนี้ถ้ามันต้องมีวิธีการพูดถ้าพูดไม่เป็นเนี่ย อย่าพูดดีกว่าอะไรงี้เขาตายไปอย่างน้อยใช้สัมผัสการดูแลถ้าเรารู้ว่าเราพูดไม่ได้นะฮะสัมผัสหรือกริยาที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยเขาสื่อถ่ายทอดได้หรือมันจะไปปลอบซะหน่อยทําให้เขาเอาพูดอะไรไปแล้วศิลปะศิลปะที่ทำด้วยจิตวิทยาด้วยก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสํานึกนะเราลองนึกว่าถ้าเเป็นเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไร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 จิตก็ตกก็ต้องการตรงนี้นะองนี้ตรงนี้สําคัญนะเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยแต่ว่าถ้าตรงนี้ยังยังยังพูดเขาไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีงาม mm hmm. การที่ช่วยให้เขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยอย่างที่อาตมาได้พูดยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาได้จิตใจเกิดเป็นกุศลจิตใจเกิดความรู้สึกสงบมากขึ้น แล้วถ้าเขามีเรื่องค้างคาใจอะไรก็พยายามช่วยเขาปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจอย่าทำให้และอย่าไปหาอย่าไปทาให้เขาเกิดความกังวลเพิ่มเติมนะไปร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเขาหรือว่าไปทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาตายไปเขาจะสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่น่าทำให้เขารู้สึกงั้นให้เขารู้สึกว่าถ้าเขา่าตายนะเขาก็จะคนหนึ่งก็จะอยู่ได้คนหนึ่งก็จะไม่ทำให้เขาเป็นห่วง นะแต่ไอ้การผัดพลากอะค่ะมันภ า, า, า, าวะจิตตรงนั้นมันทำให้เหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยอะค่ะสำคัญญาตทำใจไม่ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องต้องฝึกอยู่เสมอในชีวิตประจำวันพิจารณาม า, านัาสติอยู่เสมออย่าไปเตรียมตัวเอาเมื่อเกิดเหตุร้ายกับ เราลรือ ก, กับคนละของเราแล้วถึงค่อยมาเตรียมอันนี้เรียกว่าประมาทใช่ไหมเราควรจะเตรียมควรจะระลึกอยู่ตรงนี้อยู่เสมอการไปงานศพของคนที่เราลักคนที่เราคนรบเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าสวัสดิ์หนึ่งคนละของเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยไปงานศพแทนที่จะเอาแต่คุยกันเนี่ยให้เราเปิดใจน้อมนึกน้อมรับธรรมะจากจากผู้ตายมันก็ทําให้เราเกิดความขนขวาย์นะ และให้อตมาให้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาเนี่ยคอยเอาโยงไปถึงเรื่องความตายในช่วยได้เช่นเงินหายร้อยบาทโทรศัพท์มือถือหายนะคนก็ทุกข์ทรมานเสียใจแต่เราลองนึกเสว่าโอนี่ยังดีนะเพราะต่อไปเราต้องเจ อ, อยิ่งกว่า น, นี้ถ้าเราตายเนี่ย เรามีร้อยล้านเราก็หมดร้อยล้านเรามีสิบล้านเราก็หมดทั้งสิบล้านเลยไอเราจะรู้แล้ ว, ว ไ, อไอการที่เงินหายร้อยร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทหรือล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยเวลาเรานึกถึงความตายเพราะความตายมันคือสุดยอดของความพัดพลาใช่เวลาเจ็บเวลาป่วยเราลองนึกเสโอ้ถ้าเราตายเนี่ยถ้าเราป่วยหนักนี่ใกล้ตายเราจะเจอยิ่งกว่านี้นะให้เราถือว่า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 แต่ถ้ามีชาติหน้าก็ได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งคือได้ไปสู่สุคติในชั้นหน้าเพราะฉะนั้นไม่สมควรหรือที่เราจะทําความดีถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องชา้นหนาก็ตามเพราะยังไงสุดในชาตินี้ก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการทําความดีอยู่แล้วพระเจา้าอธิบายเงี้ยใช่ไหมคือท่านไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาที่บ่าต้องมีชาติหน้านะคนถึงจะทำความดีนะถึงแม้คุณไม่เชื่อคุณทําความดีชา้นนี้คุณก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเรื่องการเตรียมตัวตายก็เหมือนกันนะ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 เรามีกุศลเป็นเครื่องหนุนเนื่องชีวิตเราคราว น, นี้การเจริญสติอยู่ในฝ่ายสมาธิก็คือทำให้จิตเรานี่มีมีสมาธิมีสติ ด, ดีนะซึ่งเท่านี้เนี่ยมันก็พอจะเป็นหลักประกันได้แล้วว่าเราจะสามารถประเะชิญกับความเจ็บปวดได้ไม่ทุกข์ทุกเวทนาแต่ถ้าดียิ่งกนั้นก็คือเจริญปัญญาให้เห็นถึงความ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 นะแกเป็นเด็กอายุสิเป็นโรคภูมิผ uang อี <S S <LP>. <S แล้วก็แพ้อาเกิดการแพ้เพราะว่าภูมิภูมกันในร่างกายมันจัดกินเนื้อเยอื่อในร่างกายดน mm hmm. ทั้งไตาวายก็ต้องต้องมีการล้างไตล้างไตฟอกเลือดนะแล้วปรกว่ า, าการรักษาบางทีก็ต้องมีการฉีดไปที่กระดูกสันหลังเด็กเห็นเข็มเนี่ยปวด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 เดินจงกรมมีสติรู้ตัวบอกว่าพอเจอเข็มเนี่ยแก น, นิ่งได้นะ mm hmm. นิ่งได้นะบางทีเห็นเข็มแทงเข้าไปเนี่ยนะเวลาเวลาไม่ได้เข้าสลังอย่อยางเดียวที่อื่นด้วยเนี่ยแกก็แกแ ก, ก็ไม่กลัวสงบแล้วก็มีคราวหนึ่งเนี่ยจะต้องจะต้องเปลี่ยนไตบอกว่าเออแกแพ้ไอยาระงับปวด ก็ปวดเสียแล้วก็ระบมทุกทรมานมากใช่ไหมหมอทาอะไรไม่ถูก oh. เด็กคนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสาวละ่ะแกบอกขอพลาเม็ดหนึ่งนะเท่านั้นแหละแล้วแกก็ตามลมหายใจสงบเลยนะ mm hmm. สงบเลยแล้วก็แกก็หลับไป ท, ทั้งที่ไม่ได้ไ ม, ไม่ไดทท้ทั้งที่ปวดแล้วก็ระบมอย่างไอย า, ก, อยาการแพ้ของยา คือเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของของคนธรรมดาซึ่งเขาพอเขาเจริญสติสตแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเนี่ยให้ความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันเขาก็สามารถเอาชนะได้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเวลาเรานึกถึงความตายหรือนึกถึงการเจ็บปว่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีไอถ้าเราเจริญ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 พรุ่ง น, นี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเยี่ยมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือการสร้างบรรยากาศความสงบนี่ก็อาอาจจะหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีที่ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมไม่มีคนมาร้องหุ่นร้องไห้นะสำคัญที่สำคัญคแต่ว่าอันนี้มันก็ถ้าเป็นชาว บ, บ้านนี่ก็อาจจะไม่ชอบสงบมากๆก็ได้ชอบความพลุกพล่านสักหน่อย อย่า ง, งชาว บ, บ้านเาดวลาชาวบ้านเนี่ยนะเขถ้ามีลูกหลานมีคนมาห้อมล้อมนี่ชอบน ะ, ะจะมาสงบแบบเ อ, อแบบคนในเมืองเขาอาจจะไม่ชอบนะ อ, อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้ามีคนช่วยเขาน้อมจับน้องจิตไปสู่ความสงบได้จะดีคราวนี้เรื่องกล่าคำอําลานเนี่ยออทําได้ทุกเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่รอให้เขาหมดหมดสติก่อนเออ่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 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ขอเข้ามาขอโอซี C, แล้วก็ได้น้อมนำเขาให้นึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็บอกทางรวมทั้งปล่อยวางอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดทีเดียวพร้อมๆกันไปเลยได้ค่ะนะแต่คนนี้เนี่ยบางคนก็ลังรลอไม่กล้าพูดจนกระทั่งเขาหมดหมดสติตไปอาตมาก็คิดว่ายังไม่สายแม้ว่าเขาจะโคม่าแล้วเนี่ย คืออย่าลืมนะว่าคนที่เขาโคม่าเนี่ยเขายังรับรู้ได้มีหลายคนที่ตื่นจากโคม่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดหมอพยาบาลพูดอะไรเขาได้ยินมีบางคนเนี่ยยางมีรายหนึ่งเนี่ยนะเห็นด้วยซ้ำหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหมอก็คนก็รีบพาส่งโรงพยาบาลก็มีการจะช่วยช่วยหายใจใช่ไหมพยาบาลก็เอาเอา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 ทางที่หลับต า, าตอนนั้นเขาไม่ไมรู้ตัวก็โคมา่าหัวใจอยู่เต้นแล้วไงนะ พ, พยาบาลก็งงว่าคุณรู้ได้ยังไงเขาบอกเขาเห็นแต่ว่าเห็นด้วยอะไรตาก็ปิดใช่ไหมสมองก็ตอนนั้นก็ถ้าจะไ ม, ไม่ทำงานแล้วนี่นคนที่คนที่เขาโคม่าเนี่ยเขาสามารถเห็นได้แล้วบางทีรู้สึกเจ็บด้วยยังมีคนหนึ่งเป็นผักแกเกิดเรียกว่าเกิดสโตรก็คือว่าเสลิด แตกในสมองแตกใช่ไหก็เป็นผักเพราะว่าสมองมันไม่ทำงานใช่ไหมสองข้างเลยแม้ว่าเ็เป็นผักหมอเนี่ยหมอนี่ ก, ก็คือแบบทำอะไรก็อ่อนเปลี้ยไปหมดยกอะไรไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัว<ไ>เลยนะมันเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นภาวะที่เป็นผักนะมีผักแบบสองแบบคือแบบอุบัติเหตุนะหรือไม่ก็อยู่ทีก็เสื่อในสมองแตก Mm hmm. หมอนี้ก็บอกว่าโอกาสลกโอกาสที่เขาจะหายโอกาสที่จะอยู่รอด น, นี่ยากแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ได้รับการรักษาในในสถาบันทางทางปราษาวิทยานะหมอที่มาตรวจเนี่ยมีครันีงก็มามาทดสอบว่าเขารับรู้ไหมก็มาบีบหัวไม่เท้าเขาบีบหัวไม่เท้าเขาบอกตอนนั้นเขารู้สึกปวดมากเลย ใช่เป็นวิธีทดสอบทดสอบระบบประสาทบอกเขาปวดมากแต่เขาพูดไม่ได้เขาอยากจะตะโกนให้บอกบอกหมอว่าหยุดให้หยุดใช่ไหมาค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีทดสอบความปวดเพราะว่าถ้ามีความเจ็บปวดเวลาทดสอบมันจะได้มีปฏิกระยาที่เขาจะประเมินสภาวะไขได้ใช่แต่ว่าหมอเห็นว่าคนไข้นี้เขาไม่ตอบสนองก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือเขาอยู่ในพาะที่เป็นผักใช่ไหม แต่เขาในสุดเขารอดชิมาได้เขาาก็ไลฟ์ฟังว่าตอนนั้นเขาปวดมากเพราะฉะั้นคนที่เป็นอยู่ในภาวะโคม่าเนี่ยนะเขาเห็นเขาได้ยินเขารู้สึกได้เพราะฉะเราอย่าเราจะอย่าไปนึกว่าเขาเป็นหุ่นที่เขาไม่รับรู้อะไรเรายังสามารถสื่อสารกับเขาได้พูดความในใจกับเขาได้บอกทางเขาได้หรือว่านำนำทางเขาไปสู่ความสงบก็ได้นะเพั้นต่อมาคิดว่าเออ่ ตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราอาจจะกล่าวคำอําลาตอนที่เขารู้สึกตัวไม่ทัน<า>แต่ว่าก็ยังพูดกับเขาได้อตอนที่เขายังไม่ทมันหมดลมแล้วถ้าเชื่ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าตายไปแล้วแล้วเราก็ไปที่ที่กราบศพแล้วเราก็พูดอย่างเนี้ยได้ไหมเจ้าคะพูดว่าอะไรก็ <S <S <S> อ, อย่างนี้ลคะค่ะอ๋อได้ได้ได้ดได้แล้วก็อาจจะคือถ้าเชื่อแบบที่เบธนี่นะคือเขายังไม่ได้ไป ไปเกิดผู้ยิ่ง่ายเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เรียกาอันตรภพคือพบในระหว่างระหว่างพบที่แล้วกับพบหน้าะะนะโดยเฉลี่ยประมาณสีวันน ะ, ะ, ะเขายังมีมีโอกาสรับรู้ได้แล้วแล้วต้องพูดบอกเป็นเสียงหรือว่าพูดในใจได้ะดในใ ะ, นะพูดในใจก็ได้นะพูดในใจก็ได้หรือว่าน้อมนึกถึงเขาพูดถึงเขา แล้วก็อาจจะช่วยบอกเขาด้วยกระด้ว่าให้เขาปล่อยวางอืงนะปล่อยวางสิ่งต่างๆเพราะบางทีคนที่ตายเนี่ยตายด้วยโดยที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเนี่ยก็ยังมีความห่วงหงาอะไระแล้วก็บางทีอาจจะยังบางคนที่ตายใหม่อาจจะยังไม่รู้โดยซรําว่าตัวเองตายอืนะบางคนไม่ทันตายเลยแต่ว่า จ, จ, จิตเริ่มแสดงอการแล้วยังมีรายหนึ่งเนี่ยที่หลงพิวัตรคณปฐมเล่าให้ฟังคนไข้นหนึ่งอายุสักหกสิบได้ธรรมา ก, ก็ไปเจอเหมือนกันเออแกป่วยหนาโอ๊ยนะพังงาพังงาอยู่นี่ยแกเนี่ยเป็นเอแต่ว่าแกเป็นคนที่ที่ที่ค่อนข้างจะหวงเหนียวเรื่องเงินอืแกให้เงินกู้ให้เงินยืมแบบคนลูกนี่<ป>เออ ะ, อ ะ, ะแล้วแกไม่ปล่อยวาง บอ ว, ว่าไอ้ตอนที่แกพังง่ามพังงามเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเ <c oughs> พื่อนบ้านเห็นแกมาทวงอตามไปถึงบ้านเลยเพื่อนบ้านเห็นมาแกมาทวง <c oughs> เขาก็นึว่าเอ้ยคงตายแล้วมั้งถึงมาทวงอ่ะก็รีบมาที่โรงพยาบาลแล้รีบมาโทรมาเช็ก ค, คนป่วยยังพังงามพังงามอยู่เลยอ <c oughs> แล้วเวลาหมอที่บอกให้ปล่อยวางเรื่องนี้เนี่ยแกเครียดขึ้นมาเลยนะเครียดขึ้นมาเลยคือ ครที่ไอเงินที่ให้ยืมมันสิบปีมาแล้วนะโอ้ยังจ่าได้เออยังยึดอยู่เนี่ยคือคนร้อนนี่ถ้ายังโอ้น่กลัวจริงๆถ้ายังไม่รู้จักปล่อยวางนะคุณทุกข์นะจะกลายเป็นตุ๊กแกจิ้งจกติดอยู่ที่บ้านเขาใช่อ่าคือเนี้ยไม่ว่าจะเชื่อเรื่องชาตีรมหรือไม่ไม่เชื่อก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะตายแล้วคุณควรจะตายสงบเนี่ยปล่อยวางนะแต่ถ้าเกิดว่าคนร้อนเนี่ยสะสมความตหนีทีเหนียวไว้เนี่ยมันเป็นนิสัยที่ปล่อยวางไม่ได้ มันเป็นนิสัยที่เข้ามาครอบงาจิตใช่ไหมเจ้าตัวอยากจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมันกลายเป็นนิสยัยมันก็มือที่เราชอบกรรมเนี่กรรมอยู่เรืเลยเนี่ยถึงเวลานี่มันกรรมเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยอใช่ไหมอัมนนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวาง อ, อย่าไปยึดติดมัน เวลาตายแล้วก็ต้องแบมือออกอ่นั่นแหละก็แต่คนอย่างนี้ไม่เข้าใจไงว่าแบมือนี่คืออะไรค่ะโครงการนี้อบรมไปได้ได้กี่รุ่นแล้วเจ้าคะเป็นร้อยได้อย่างเจ้าคะไม่ถึงหรอกเราก็อบรมทุกปีปีนี้ก็12รุ่นนะอ๋อปีหนึ่งได้สิรุ่นไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเราเราแต่ก็สร้างคนได้หลายร้อยเลยเจ้าคะก็ไม่ก็ถ้าจะดูกดูกันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30คน คนซ้ำๆมาไหมคะก็ไม่ไม่ต้องเป็นคนใหม่เท่านั้นที่จะเข้าอแต่เรามีเรามีมีจัดอารมรุ่นสองก็จะยากขึ้นยากขึ้นก็ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นคือแสดงว่าจะมีคอสที่หนึ่งนั่นในกลุ่มแล้วก็กลุ่มพวกเนี้ยคักลางอ๋อเจ้ค่ะแต่ขันกลางนี่ปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งแต่ส่วนใหญ่นี่คนต้องการขั้นต้นก็จัดงี้มา จัดทุกเดือนนี้มา2ปีแล้วแต่ก่อนนี่จัดสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งาค่ะแต่ปเป็นมมาเริ่มจัดปัญหาอุปสรรคมีไหมคะก็ปัญหาคือวิทยากรไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยพอเพียงก่ับความต้องการคือยังไงก็พระอาจารย์แล้วก็มีมีหมอแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการอ๋อ ตอนนี้ครั้งนี้เจอพระอาจารย์ไหมเจ้าคะเจอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มมีมีมีทีม A ทีมบแล้วเพราะว่าเพราะว่าเอวิทยากรนี่เป็นที่ต้องการการอบรมนี่อหลายโรงพยาบาลก็อยากให้เราไปจัดเจ้าค่ไปจัดที่โรงพยาบาลเลยแล้วถ้าถ้าไม่เป็นโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นสถานที่ชมรมอะไรสักชมรมก็ได้แล้วก็ติดต่อมาที่ บ w w b u d n e t i n f o ไปที่น uh right> ี่ก็ได้หรือว่าโทรไปที่ 02-314-7385 ที่เขาเรียกเสมศิขฐาไหร่หรือเศมมะเศมศิษาไหรเสมศิขฐาไหรตรงนี้ก็ก็จะรู้ว่าเขามีอะไรกันช่วงไหนหรือถ้าจะจัดเป็นพิเศษนี้ก็ต้องนัดเวลาซึ่งอาจจะเป็นหลายเดือน เพราะว่าตอนนี้คิวนี่แน่นกันทั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าปีหน้าที่จะถึง5้หนึ่งนี่ก็ก็ยังว่างอยู่ไ่ยเจ้าคะอ๋ออย่างนั้นก็แต่ว่าบางทีเราก็เราก็มีจัดจัดเสริมนะอันนี้ทีมบีได้มาเข้ามาแล้วทีมบีนี่มีพระพระอาจารย์ไหมเจ้าคะก็มีแล้วก็มีมีมีวิทยากรใหม่สองสามคนเอาเอาจากคนที่เข้าอบรมแล้วก็ไปไปถึงคอร์สคอร์สที่ไปถึง ที่สุดท้ายที่พระอาจารย์เห็นว่ากลุ่มพวกนี้แหละเอามาสอนได้ก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้ว เ, เริ่มจะ<ช>หาวิทยากรเข้ามาเจ้าค่ะนนี้เนี่ยโครงการประชุมความตางสงบเนี่ยล้วก็กิจกรรมหลักก็มีเรื่องการอบรมใช่ไหมฮะจ้ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายออกมาเป็นเรื่องของการการหาอาสาสมัครข้างเตียงอาสาสมัครข้างเตียงอตอนนี้เราก็ร่วมกับหลวงพิบาญจุลา เข้าไปสมัครยังไงเจ้าคะก็ผ่านทางเว็บไซต์ก็เขาทางนี้เหมือนกันควรผ่านการอบรมด้วยใช่ต้องผ่านคือถ้ายังไม่เคยอบรมแต่อยากเป็นอาสาสมัครก็ต้อไปที่นี่ก่อนได้แล้วก็เขาก็จะมีการอบรมพิเศษของเขาเองต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมเจ้าคะไม่เสียไม่เสียเพราะว่าอาสาสมัครนี้มาด้วยมาด้วยใจอยู่แล้วแต่อาจจะเสียอาจจะเสียค่าเดินทางเขาเองไปเยี่ยมผู้ป่วยใช่ไหมจะค่ะเราจะมีจัด อาสาสมัครข้างเตียงนี่ตอนนี้มีรุ่นเป็นรุ่นที่สมแล้วโไ ด, ไ ด, ได้ไปกี่คนคะ2 2> ก็ประมาณ2ี่สิบคนนะครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพรา ะ, ะว่าต้องการต้องต้องการติดตามคุณภาพด้วยก็รุ่นหนึ่งจะประมาณ3เดือนสา3เดือนซึ่งหลายคนก็พอใจทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งอาาสมัครคือบางทีหมดรุ่นแล้วเนี่ยเสร็จเสร็จเสร็จโครงการแล้วก็ยังไปติดต่อ ยังติดต่อไปช่วยกันอยู่วันนี้ต้องยอมเสียเวลาสามเดือนสามเดือนนี่ทุกวันไหมเจ้าคะอิอาจะทีละครั้งทีละครั้งครั้งสองครั้งเรื่องที่เหลือก็เป็นความความสมัครใจของอาสาสมัครอนะอันนี้เราก็ก็เริ่มทำํำส่วนหนึ่งของผู้ป่วยเนี่ยคือเด็กก็นะมีแผนกเด็กของโรงพยาบาลจุฬาเด็กที่ป่วยหนักนะก็มีอาสาสองไปเยี่ยมหรือไปช่วยทํากิจกรรมสำหรับเด็ก เช่นศิลปะบําบัดอให้เด็กก็ได้มีดนตรีบําบัดด้วยของของพระอาจารย์ก็มีใช้ตรงนี้ก็มีมีบ้างแต่ว่าจะหนักทางด้านศิลปะบําบัดเป็นยังไงค่ให้เขียนให้ว่าเด็กก็ได้ว่าได้ได้เว่าเขาว่ารู้อาจายการวาดลู่เนี่ยเป็นเครื่องฝึกสมาธิของเด็กแล้วเขาก็ได้คเราได้สร้างสรรค์เนี่ยไม่เบื่อไงพวกนั้นให้ใช้สีน้ําหรือสีอะไรจ้ะค่ะสีอะไรก็ได้ที่เขาต้องการแล้วแต่เขาต้องการแแต่ขอให้มี การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในงานตรงนั้นแล้วทำให้เขาได้สร้างสรรค์ใช่ไหมคนเราได้สร้างสรรค์อะไรบางอย่างเนี่ยที่ก็จะมีความสุขใช่ไหมก็เป็นมันก็ขอบดีเป็นงานอดิเรกของเขาเจ้าค่ะแล้วก็เป็นการสร้างสมาธิให้แกเขาไปในตัวด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากกิจกรรม2อย่างนี้ล่ะเจ้าค่ะเรามีการสร้างเรามีการทําโครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็มีหมอมีพยาบาล น, นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีพระรจากหลายที่เนี่ยมาร่วมกันเป็นเครือข่ายประชุมกันทุ ก, ทกสองเดือนแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เพราะแต่ละคนก็มีงานในพื้นที่ทําำก็มาแล้วก็ได้เรียนรู้คุยกันในหัวข้อต่างๆเช่นการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะเรื่องของการใช้ศิล ป, ปะบําบัด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 ของพยาบาลมีเจ้าค่ะมีใช่ไหมเจ้าพยาบาลมีค่ะการใี้พยาบาลผู้ป่วยกระจามีใช่ไอมอีแต่แพทย์นี่ยังไม่มีนะเออเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายถึงแพทย์ถึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้ได้ดีเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเราก็ำลังพยายามผลักดันเข้าไปเจ้าค่ะซึ่งออาจจะต้องค่อยๆไปเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า เวลาก็แน่นอยู่แล้วเวลาดีโอ้แต่เรื่องนี้สำคัญสาคัญมากเลยนะคะไม่มีใครหมอทุกคนก็อยากให้คนไข้หายแต่สุดท้ายน่ะมันไม่หายมันก็ต้องไปทางนี้ละค่ะต้องตายอ้กายหายใช่ถ้าถ้าคุณยอมรับไงะว่าจะส่งเขาไปยังไงตรงนี้น่ะสำคัญมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เวลารบควรของพระพระอาจารย์มา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 นำออกประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญนี่มาพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั่วไปอาตมาก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เหมือนกันนะ mm hmm. เวลาการมาจับอบรมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขได้เรียนรู้อย่างเดียวตัวอาตมาก็ได้เรียนรู้เพราะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแล้วก็นําประสบการณ์นี้ไปช่วยให้เกิดประโยชน์ mm hmm. แล้วก็ขออนุญา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 แนะนำมาได้ที่สถานีวิทยุสังคทานธรรมวัดสังคทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีรหัสไปรษณีย์หนึ่งหหรือโทรมาที่02443 0 3ที 43, ่ 1. ขออภัยค่ะ02443 0341-2 ได้นะคะพบกับรายการธรรมะจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพได้ ในทุกวันจันทร์ถึงวันพุธช่วงเย็นๆนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานขอกราบนมัสการลาพระอาจารย์สวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเลยไปครื่องชั่วโมงเลยค่ะเพาะผู้ฟังตายพลาดไปแกลนโอเราแบบ ลมไทยนี่ยยังดีเลยของไทยนี่มันพาพตแล้วอีเป็นสอง่นีเจนพรนี่กันนะได้นัง้นนี่ของเจ้าคุณพระุคาพรอแล้วก็สาหรับเอ่อเดี๋ยวซีดีแล้วก็ซีดีจะติดตามพร้อมกับซีดีเดี๋ยวเดี๋ยวอจะให้ส่งไปที่ไหนเจ้าคะขายร่วพกนี่ังนี่งที่เคือขายได้นะเดี๋ยวเดเด ส่งตรงส่งไปที่วัดเดี๋ยวอ่มีขอปากกาส่งไปที่วัดก็ได้ราชการค่ะวัดป่าสุขโตบางปะเป็นตอนบ่ายเนี่ยคุณเป็นเป็นพยาบาลเหรอขับเป็นอาจารย์พยาบาลอ๋อเหรอที่ไหนอ่ะ เดิมสอนอยู่กึ่การุณนะคะตอนนี้ก็มีสอนในสวนดุสิตบารุมราชนนีอะไรอย่างี้เจ้าค่ะกึการุณอาจารย์ในะอาจารย์มีอาจารย์เบญจาพระพระอาจารย์เจออาจารย์อะไรบ้างเจ้าค่ะทัศนีอ๋ออาจารย์ทัศนีปฏิบัติาพระต้องเจอพรนายู่องบ้าบาลนก็ไดมคะบอก ดิฟูหกนึ่งห้าศูนนะเจ้าคะอําเภอแก่งคร้อแก่งคร้อแล้วแล้วตบลตบลละเจ้าคะตาบลเหอทามะไฟหวานท่ามะไฟหวานอําเภอแก่งแก่งเหรอฮะแก่งคร้อแก่งคร้อถ้ามีโอกาส อีกขั้นนะครับว่าขั้นที่2ในการฝึกเพราะยังไม่เห็นยังขั้นยังไม่ได้อธิบายเอะไรขั้นที่สองเหรออ๋อมันจะมันก็จะลงลึกมากขึ้นยังยังมีค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตรียมนะค่ะอยากจะได้แบบวิธีปฏิบัติขณะที่อยู่มาบางคำถามก็ยังไม่ได้ถามนะคะไม่ได้ไม่ได้ ติ๊กไปแค่หนึ่งะิไปนิดเดียวเองคือยังไม่ได้ติ๊กอะไรเจ้ในส่วนของงานเขียนก็มีน่าสนใจอีกเยอะนรอาจารย์เชนานแล้วกันนะค่ะขอบพคถือว่าดำปากแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังแรงนะโอนบนจริงๆเจ้าค่ะได้ทำงาม่ราบีมีเครื่องซีลอกหรือเปล่ามีจ้ะพระอาจารย์มาใหญ่ขอซีลหรือเปล่าให้ที่คุปปเล่นนะเหลือให้คีกไปเล่นจ้า วิธีจีนระวางขจิตอันหนังสือของท่านเนี่ยเหมือนกันไหว้ทวนน้ำก็ดีค่ะชอบบวกสวยแล้ ว, ลว <laughs> คำไม่ยากคือไม่ไม่ใช้ภาษาที่ยากอันไหนเจ้าคะเดี๋ยวเดท่านท่านขั้นเอาไว้หน้าที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เจ้าคะ หน้าที่ส <43 S 1> <ะ>ิบสามไปจนถึงสุดท้ายเลยถึงหน้าที่ห้าสิบเจ็ดสิบสามถึงห้าสิบเจ็ดนะคะกลับนี้ด้วยนะเดี๋ยว <พ>จะอะรกัอ๋ออาจารย์อาจารย์ใช่ไหมคะเดียเด๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรนต้องไปเอาน้ำเอาท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเครียรของของพระอาจารย์นะค สวัสค